บทที่195แน่ละคืนนี้มันเป็นคืนสำคัญยิ่งอีกคืนหนึง่งของการปรึกษาหารือจากฝ่ายเฉลยเป็นการหารือกันอย่างหนักหน่วงเคร่งเครียดที่สุดภายหลังจากเวลาอาหารค่ำผ่านพลไปแล้วและต่างอยู่ในระหว่างเตรียมพักผ่อนทุกคนทุกหัวใจรุ่มร้อนกระวนกระวายจนบอกไม่ถูก เมื่อรกฎนครมองเห็นอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างออกไปแค่เอื้อมนี่แล้วและพรุ่งนี้เช้าทุกคนก็คงจะมีโอกาสได้ผ่านประตูเมืองเข้าไปสู่การต้อนรับภายในของกษัตริย์สิงหราซึ่งยังไม่อาจทราบได้ว่าจะเป็นการต้อนรับแบบใดดีหรือร้ายชดประชากรกับนันอินบุคคลสาบสูญที่ติดตามหากันมาด้วยชีวิตตลอดระยะเส้นทางมหาวิบากยาวไกล ก็อยู่ภายในกำแพงล้อมแห่งเมืองประหลาดนี่แหละกุตมะผู้มีท่าทีว่าพอจะเป็นมิตรผูกสัมพันธ์กันไว้ได้แล้วกับฝ่ายเฉลยทุกคนถูกรหัสสยะแสดงอาการเหมือนจะเท่าทันเอาตัวพระเข้าเมืองไปซะก่อนแล้วไม่เปิดโอกาสให้ใครได้ซักถามสนทนาใดๆไ ด, ได้อีกทั้งสิน้นแงสายริจาการาชล่ะแบบนี้กาลังเตรียมการอะไรอยู่ที่ไหนข่าวแรกและสุดท้ายที่ได้รับ ก็เฉพาะสัญญาณแสงจากกระจกสะท้อนแสงเงาพระอาทิตย์เมื่อบ่ายนี้เท่านั้นและก็เป็นข้อความที่ไม่ได้บอกอะไรละเอียดที่ท่วนนักขณะ น, นี้ทุกคนอยู่ในสภาพกอดเข่าเจ้าจุกล้อมวงเข้าหากันไม่ว่าจะฝ่ายเจ้านายหรือลูกหาบซึ่งบัดนี้ก็เปรียบเสมือนเพื่อนตายกันทั้งหมดโดยไม่แบ่งใครนายใครบ่าวเว้นแต่ใครจะรู้หน้าที่ของตนดีเท่านั้น มันมีสารพัดปัญหาให้คบคิดจนแทบจะแยกไม่ถูกว่าควรจะคบกันเรื่องใดก่อนและหลังหรือตามลำดับไปสำหรับดารินกมามเรียนนั้นแสดงออกชัดถึงการเป็นห่วงใยในความปลอดภัยของกุตตมะก่อนอื่นใดทั้งสิน้นแต่ฝ่ายผู้ชายซึ่งหนักแน่นกว่าอันประกอบด้วยเชิท้าชัยยันและพรานใหญ่ระพินให้เหตุผลว่าข้อนั้นนะเห็นจกไม่ต้องเป็นห่วงละ กุตมะพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนี่ว่าเขาเป็นคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งของมรกฎนครและมีเหลี่ยมคูพอที่จะรักษาตัวรอดได้ถ้าเราจะพิจารณาถึงระดับไว้พริบสติปัญญาระหว่างรหัสยะกับกุตมะกันแล้วน่ะคนแก่ย่อมเหนือกว่ามากและแกเองก็บอกเราไว้แล้วว่าไม่ต้องห่วงสิงหราควรจะเชื่อน้องของตนมากกว่าที่ปรึกษาฝ่ายทหารไม่ใช่เหรถ้าต่างฝ่ายต่างจะกล่าวโทษซึ่งกันและกัน ดารินไม่วายกังวลพี่ชายสันศีสักปัญหาข้อนี้นะเราผ่านไปได้แล้วละน้อยยังไม่มีอะไรที่ถึงกับจะต้องกล่าวโทษซึ่งกันและกันระหว่างรหัสยะและกุตมะการที่รหัสยะเอาตัวกุตมะแยกจากเราไปซะแล้วก็เพื่อจะกันถ้าไม่ตาเท่านั้นสนิทสนมหรือบอกเล่าวความลับอะไรของมรกมรกนรให้กับเราเพิ่มขึ้นเท่านั้นคงไม่คิดที่จะนาตัวมาในทางร้ายรอก เพื่ออย่างน้อยที่สุดนะกุตมะเจ็บป่วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในครั้งนี้ก็เพราะเสี่ยงชีวิตข้าป้องกันรหัสสยะไว้จากธนูโจ้นั่นเองราัยะก็ย่อมจะรู้อยู่คงไม่คิดหรอกว่ากุตมะจะแปรพักมาเป็นฝ่ายเราเร็วนะักถึงฝ่ายเราเองก็ยังไม่อาจไว้วางใจกุตมะได้สนิทนักนะเราเพียงแต่อยู่ในระหว่างแผนการเกลี้ย ก, กล่อมเอาตัวแกนํามาเป็นพวกเท่านั้นเอง แล้วท่านหัวหน้าคณะก็หันไปมองดูรพินพูงเงียบสงบเอาหมวกปิดหลุบหน้าเหมือนจะนั่งหลับอยู่แต่เขาก็รู้ว่าหมอนั่นน่ะไม่ได้หลับหรือแยกตัวเองหนีไปจากการร่วมคิดกับคณะทุกคนเลยเท้าข้างหนึ่งยันขึ้นอีกข้างหนึ่งเหยียดยาวไปพาดอยู่กับกองสัมภาระเบื้องหน้าราพินคุณจดสัญญาณจากแง่ายที่ส่งลงมาเมื่อบ่ายนี้ไม่ใช่หรอ โดยไม่ขยับขยื่นเจอมัคุเทศตอบเบาๆออกมาจากเงาของปีกหมวกว่าครับผมขอให้ผมพิจารณาอีกครั้งสิระพินระพินล่วงกระเป๋าหยิบสมุดพกเล็กๆประจำตัวออกมาแล้วดึงเศษกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเตรียมฉีกไว้ล่วงหน้าแล้วยื่นส่งไปให้เชษฐาผู้รับมาดูพร้อมทั้งอ่านทบทวนอีกครั้งช้าๆให้ทุกคนฟัง แงซายเรียกผู้กองรบพินและพวกเราทุกคนรับสัญญาณและขอให้รับทราบอย่างเดียวไม่ต้องตอบแงซายปลอดภัยและอยู่ในกองทัพประชาชนแล้วขอให้พวกท่านเดินทางไปพบสิงหราเพื่อหาทางช่วยชีวิตนายชดและนันอินให้ออกมาให้ได้ก่อนหากสิงหราถามถึงคนที่12สองอย่าปฏิเสธให้พวกท่านยอมรับว่ามาด้วย เพื่อใช้เป็นข้อต่อรองกับชีวิตของสองคนที่ท่านต้องการแง่ทายจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตนายชดและนานอินเป็นอันดับแรกขอท่านรับทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อนทั้งหมดใช้เซนทุกส่วนในสมองให้ทำงานอย่างเต็มที่สำหรับสัญญาณของแง่ทายที่ส่งมาอันรพินรับไว้แล้วถ่ายทอดจดออกมาให้ได้ศึกษาพิจารณาการ คำสั่งของแง่ายนี่มันดูจะค้านกับคำสั่งของกุฎธมะนะท่ามกลางความเงียบดารินพึมพำออกมาเบาๆค้านยังไงทุกเสียงยกเว้นระพินถามเป็นเสียงเดียวกันกุกธรรมะบอกฉันไว้ว่าอย่างไรซะก็อย่าเพิ่งยอมรับสารภาพกับสิงหาราว่าเรามากัน12บคนให้ยืนกรานว่ามากันเพียง11คน อย่างที่เราเคยบอกกับรหัสยะไว้ก่อนแล้วความหมายที่แนะนาให้เราบอกกับสิงหาเช่นนี้เนี่ยกุตมะก็บอกเช่นกันว่าเพื่อใช้เป็นการต่อรองกับชีวิตของสองคนในที่คุงมขังนั่นแต่เงาทรายกลับบอกให้เรายอมรับถึงคนที่สิบสองที่เราพยายามปิดบังมาแต่แรกอืมเชิดทากับชยันครางออกมาพร้อมกันตาหลีลงอ่ะคุณะผู้กอง คุณมีความเห็นยังไงในเรื่องนี้ทั้งงนซายและกุฎตมะนี่อาจจะมีความคิดและเหตุผลไปคนละด้านก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าเราควรจะถามตัวเองซักก่อนว่าไม่ว่าเราจะรับกระสิงหราหรือไม่ยอมรับถึงบุคคลที่สิองนี่ก็ตามหากเกิดมีการขอแลกเปลี่ยนตัวกันขึ้นเราจะทํำยังไง แลกเปลี่ยนตัวยังไงเหรอผู้กองมาเรียถามเร็ยวปรือก็สิงหราอาจจะขอให้เราส่งตัวเงารายแล้วก็จะมอบตัวชดประชากรกรานันอินคืนให้เราถ้าแลกกันอย่างนี้นะเราจะพบปัญหาที่ยุ่งยากมากนะครับประการที่หนึ่งเราจะไปเอาตัวเงารายมาจากไหนมันแลกกับสองคนนั่นประการที่สองก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้นะเขาปลอดภัยแล้ว อยู่ในกองทัพของประชาชนเขาจะยินดีเหรอที่จะมายอมแลกชีวิตของตนเองที่อุตสาหบุกบันฟันฝ่ามาถึงที่นี่ทั้งทีเพื่อประโยชน์ของฝ่ายเราและประการที่สนะครับแม้ว่าเงาทรายจะยอมมอบตัวแกสิงหาราเพื่อเห็นแก่ชีวิตคนทั้งสองนั่นจริงๆรงฝ่ายเราทุกคนนะจะยอมให้เขาทําเช่นนั้นเหรอครับใวพวกกองทัพประชาชนอันเป็นชาวมรกนครส่วนใหญ่อีกเล่าเขาจะยอมเหรอ เพราะฉะนั้นข้อแนะนำของแงซายหรือกุฏตมะในขณะนีนะ้ผมว่าเราน่าจะนำมาพิจารณาไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับปัญหาที่จะไปะเผชิญเฉพาะหน้าเท่านั้นที่จะบอกเราได้ว่าเราควรทำยังไงการส่งข่าวของแงซรายมายังเรานั้นผมไม่คิดว่าเขาจะปรารถนาอะไรมากไปกว่าปลอบใจพวกเราไว้พลางๆก่อนโดยรับรองว่าจะหาทางช่วยชีวิตนายชด การหนานอินเอาไว้ซึ่งนั่นก็เหมือนกับจะเป็นการบอกใบให้ทราบว่าเขาจะยังไม่ทำอะไรรุนแรงก่อนทั้งสิ่งเพื่อเห็นแกชีวิตคนทั้งสองและพวกเราทั้งหมดที่ตกเป็นชเชลยในขณะ น, นี้ส่วนตัวเขาเองอนะตอนนี้ก็ปลอดภัยสบายแล้วทุกคนนิ่งคิดตามคำพูดของระพินก็คราวนี้แหละ เราจะได้เห็นน้ำใจของแงาทรายกันอย่างถนัดชัดเจนอีกครั้งว่าเขาเป็นคนยังไงและเขารักซื่อสัตย์สุจริตต่อเราจริงหรือไม่เพียงไรหรือเพียงแค่แทรกซึมมาเพื่อปรารถนาเฉพาะผลประโยชน์ทางส่วนตัวเท่านั้นมาเรียพูดช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มเฉิถาพยักหน้าช้าๆถ้าจะว่าอันที่จริงนะนะเงาทรายก็ประสบผลสาเร็จในสิ่งที่เขาต้องการน่ะ คือสามารถนําตนเองเข้าไปรวมอยู่กับกองทัพประชาชนของอรชุนเรื่องของเขาต่อไปก็คือกอบกู้ราชบัลลังก์ปราบทรราชซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็คงจะยืนหยัดเคียงข้างเขาอยู่แล้วชีวิตของพวกเราทั้งหมดกับชดและนันอินย่อมหาประโยชน์อันใดมิได้อีกเลยเขากําลังจะทําศึกใหญ่กับสิงหาราพวกเรานําเป็นแต่เพียงสะเก็ดปลีกย่อยที่ปราศจากความหมายเท่านั้น นี่พี่ใหญ่และทุกคนคิดเช่นนั้นเหรอคะดารินพูดมาโดยเร็วขยับกายนั่งตรงพี่ก็พูดตามหลักการเท่านั้นแหละน้อยพี่ใหญ่คะแต่น้อยไม่เชื่อนะว่าเงาทายจะคิดเอาตัวรอดตามลําพังเช่นนั้นเขาทาไมเช่นนั้นแล้วเขาจะไม่ส่งสัญญาณให้เราทราบหรอกคะพี่ใหญ่หล่อนพูดอย่างมั่นใจแต่ชายันก็ตอบเสียงแห้งๆว่า เรื่องนี้นะผู้กองก็บอกเลยยังไงน้อยว่าอาจจะเป็นแค่หวังปลอบใจและเอาเราเป็นเครื่องมือเท่านั้นหมอดารินเม้มริมฝีปากแน่นมาเรียเอื้อมมือมาจับที่เข่าของเพื่อนหญิงบีบหนักหน่วงพร้อมกับยิ้มให้พูดแผ่วเบาแต่มั่นคงว่าน้อยฉันเข้าใจเธอนะ แล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างเดียวกับเธอด้วยเธอคิดว่าฉันเชื่อมั่นยังไงล่ะเม่ฉันมั่นใจว่าแง่ทายจะไม่มีวันทรยศต่อรเราเป็นอันขาดประสบการณ์ที่ผ่านมาในทุกครั้งมันบอกให้เราเชื่อมั่นได้เช่นนั้นถูกล้วเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องยอมเอาชีวิตของตนเองไปมอบให้กับสิงหราเพื่อแลกเอาชดกระนานอินออกมาให้เรามันมีวิธีฉลาดกว่านั้นสารพัด หรือทุกคนคิดว่าทั้งเราทั้งแง่ายจะอับจนปัญญากันอยู่เพียงแค่นี้หากสิงหราท้าแลกตุวประโยคสุดท้ายแม่มสาวถามกราดไปยังทุกคนรวมทั้งรพินไพรวันด้วยคำพูดของมาเรียทำเอาชายอีกสามคนอึ้งไปนานระหว่างนี้มาเรียได้กล่าวอย่างแช่มช้าออกมาจากความไตรตรองอย่างเต็มที่ต่อไปว่า ขอให้เรามาพิจารณาถึงข้อความที่แงซายส่งมาถึงเราอีกครั้งเถอะเกี่ยวกับข้อที่ว่าหากสิงหราถามถึงบุคคลที่12อันหมายถึงตัวเขาเองก็อยากให้เราปฏิเสธแต่ให้ยอมรับเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองชีวิตกับอีกสองคนที่เราต้องการพร้อมทั้งย้ำย้ำมาอีกด้วยว่าตนเองจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตนายชดและนานอินก่อนเป็นอันดับแรก เชฐายกมือขึ้นรูปปลายคางช้าๆเขาใครครวญในคำพูดของมาเรียอย่างลึกซึ้งแล้วก็เริ่มมองเห็นความหวังขึ้นดำไรเอ่ยขึ้นเหมือนจะกล่าวกับตนเองผมรู้สึกว่าจะได้ความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งที่เมพูดนี่นะถูกแล้วถ้าเรารับว่าเรามีคนที่สิบสองมาด้วยแต่ในขณะนี้ไม่ได้อยู่รวมกับคณะซึ่งเป็นฉเฉลย อำนาจการต่อรองระหว่างเรากับสิงหราก็น่าจะมีขึ้นได้หากสิงหราต้องการตัวบุคคลที่12นั้นอย่างยิ่งยวดแท้จริงกษัตริย์สิงหราอาจจะเปิดโอกาสให้เราแสวงหาบุคคลที่12เพื่อ น, นํามาส่งตัวให้โอกาสนั้นยิ่งยืดยาวออกไปเท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นความยืดยาวของโอกาสฝ่ายเราที่จะช่วยอนุชากระ น, น่ำอินเช่นกันสิงห์ราจะยังไม่กล้าทําอะไรพวกเราก่อนทั้งสิน้น ถ้าหากหวังว่าเราจะนำตัวบุคคลที่สิบสองมานำส่งให้ได้เอาล่ะทุกอย่างมันจะเป็นอย่างที่ผู้กองระพินพูดคือเราจะไปรู้เหตุการณ์แน่นอนว่าจะหาทางออกในรูปใดไ ด, ได้ก็ต่อเมื่อได้เผชิญหน้าสิงหราพร้อมทั้งฟังเสียงเขาดูนั่นแหละมีการหาหรือกันอีกครู่ต่างก็ล้มตัวลงนอนฟังเสียงน้ำค้างหยดุดกระทบหลังคาเต้นผ้าอยู่เปาะ แรกๆ ก, ก็พลิกตัวกระสับกระสายและซุบซิบกันเบาๆเป็นบางครั้งในบรรดาผู้ที่นอนอยู่ใกล้เคียงกันแล้วมิชามินานต่างก็เงียบสนิท ก, กันไปหมดระพินลืมตาขึ้นอย่างระมัดระวังเมื่อรู้สึกว่าปลายเท้าของเขาถูกเขย่าเบาๆผู้ปลุกคือดารินทันทีที่สบตาล่อนยกนิ้วขึ้นแตะเริมฝีปากไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นแต่ลุกขึ้นเดินจะรดฝีเท้ายางแผวเบา ไปสุดกายรอคออยู่ตรงปากประตูเต็นจอมักคุเทศเต็มไปได้วยความสงสัยเขาค่อยๆยันกายลุกขึ้นก็เห็นเงาทมุนของใครอีกคนหนึ่งในกลุ่มของพรานพื้นเมืองลุกขึ้นอย่างเงียบกริบเช่นกันโดยคนอื่นๆ น, นอนหลับเงียบสนิทกันทั้งหมดเขาจ้องหน้าหญิงสาวเหมือนจะแทนความหมายว่านี่รอนมีแผนการอะไรเหรอซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่อดีตนายบ้านหลมช้างย่องเข้ามาสุดกายคุกเขา่าสมทบ เรากับว่าจะนัดแนะกะนายหญิงไว้ก่อนแล้วฉะนั้นยิ่งทำให้เขางงหนักขึ้นรพินหล่อนกระซิบแผวเบาที่สุดกับเขาขณะนี้มีพวกเราตื่นกันอยู่เพียงสามคนเท่านั้นนะอีกแปดคนจะหลับอย่างสนิทได้สบายที่สุดเพราะฉันหลอกให้กินยานอนหลับไว้คนที่ไม่โดนยานอนหลับก็มีตัวฉันรานใหญ่รพินแล้วก็เจ้ายักษ์ขยินเท่านั้น นี่หมายความว่ายังไงครับคุณหญิงรพินขยับเรลี่ยฝีปากถามช้าๆขมวดคิว้วก็เห็นหล่อนยิ้มด้วยความหมายมั่นอะไรชนิดหนึ่งนอกจากเราสามคนนี้แล้วนะจะต้องการให้พวกเราทั้งหมดหลับให้สบายที่สุดโดยไม่ตื่นขึ้นมาร่วมรู้เห็นหรือพลอยกังวลอะไรกับเราทั้งสิน้นและเพื่อยเขาทั้งแปดมีกำลังสดชื่นและสมองอันสดใสดที่สุดเมื่อตื่นขึ้นในเช้าพรุ่งนี้ จอมพรานสายหน้าอยู่ไปมาแสดงว่าไม่เข้าใจอะไรอยู่เช่นนั้นเอามือชี้ที่อกตัวเองชี้ที่ดารินแล้วก็ชี้ที่ขยินผู้นั่งคุกเขา่าแยกเขี้ยวขาวอยู่ต้องการคําอธิบายให้มากกว่านี้ใช่ไหมครับถ้านี่เป็นแผนการอะไรสักอย่างผมก็ยอมรับครับว่ายังตามไม่ทันใช่กระพินแผน แผนที่ฉันวางขึ้นเองแหละให้พวกเราทั้งหมดหลับอย่างไร้กังวลโดยเลือกเอาตัวเองคุณแล้วก็เคยินเพียงสามคนเท่านั้นช่วยกันทําอะไรสักอย่างนนในระหว่างที่พวกเรานอนหลับอยู่นี่ฉันอธิบายให้เคยินเข้าใจหมดแล้วก็เหลือแต่คุณเท่านั้นที่มีอาการเหมือนคนขี้เกียจไม่สนใจกับอะไรเลยนอกจากความเห็นแก่ตัวทาเหมือนๆกับตอนที่เราพบหน้ากันใหม่ๆนั่นแหละ ทั้งๆ ท, ที่ฉันก็รู้ว่าคุณไม่ใช่คนอย่างนั้นเจ้ามักคุเทศเป่าลมออกจากบากอย่างอ่อนใจโครงสีสะะักช้าๆแล้วขยุมมือทั้งสองรวบต้นแขนน้องสาวคนสวยของนายจ้างไว้นี่คุณหญิงเอายานอนหลับให้ผมกินสักสองเม็ดสิแล้วคุณหญิงมีแผนการอะไรก็เชิญทำกับไอ้ขยินเพียงสองคนไม่ดีกว่าไงดารินไม่พูดตตบหน้าเพีย รพินก็ไม่พูดเหมือนกันรวบกายเข้ามาจูบหนักหน่นวงต่อหน้าขยินผู้นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองเห็นตำตาอยู่ใกล้ๆอดีตในบ้านลมช้างพึมพำขึ้นว่าผู้หญิงลักษณะนี้และชายลักษณะนี้ตำราทัานว่าจะได้ลูกคนแรกเป็นชายและกล้าหาญชานชัยยิ่งหนักดารินสันศรีรษะ หันไปตอบเจ้ากระเรียงลมช่างว่าฉันบป็ลูกของฉันถ้ามีกันายคนนี้จะเป็นคนขี้คลาดเห็นแกนตัวและไม่เอาไหนเลยสักอย่างเดียวมากกว่าขยินถ้านายหญิงไม่เชื่อขยินว่าต้องรองมีลูกกระพรานใหญ่ดูนะเจ้าขยินกลับแนะนำมาอย่างซื่อๆทำเอาฝ่ายหญิงซึ่งแม้จะมีความรู้สึกกระด้างสักเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังไม่ายหน้าแดง แล้วก็เอื้อมมือขึ้นจะตบอีกครั้งเมื่อฝ่ายชายถามเสือมเบาๆมาว่ามาลองดูตามที่ขยินทำนายไหมครับคุณหญิงนี่นายรพินขนาดนี้ขอฟังไว้นะฉันขอพูดอย่างมอมราชวงศ์หญิงดารินบาราริศแล้วนายคือพรานนำทางเขาใจแล้วก็อยากได้บังอาจลวนลามหยาบหยามฉันต่อหน้าพรานพื้นเมืองลูกน้องของคุณอีกเป็นอันขาดจาไว้นะ ไม่พูดเปล่าเพระจบประโยคคาพูดอันเฉียบขาดนั้นไม่สั้นอันเป็นอาวุธประจำกายของทหารหลวงมรกรนครแทบทุกคนซึ่งบัตรนี้มาอยู่ในมือของหล่อนตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบได้จอปลายจี้ติดกระเดือกเขาจนทำให้ต้องพังหะหน้าหนีและนั่งนิ่งตัวแข็งไปชั่วขณะรพินภพยวันยักไหลเนะผมกาลังรอฟังคาบัญชาแลวครับ ดารินทำเสียงดุดุในลำคอปลายหางตาผ่านหน้าเหมือนจะค้อนและต ว, วัดมีดกลับไปเนบซ่อนไว้ที่เอวตามเดิมฉันเลือกขยินเพราะขยินเป็นคนแข็งแรงและชนานาญในการต่อสู้ประชิด ต, ตัวและที่เลือกคุณก็เพราะไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าสิ่งที่ฉันต้องการจะทำก็คือในระหว่างที่พวกเราและกองทัพนี้หลับโดยเหือเฉพาะพวกเวนยาม เราสามคนจะต้องหาทางออกไปลาดระเวนดูกำแพงเมือง ม, มรกตนครทุกด้านที่เราสามารถจะเข้าไปสำรวจได้จนใกล้ที่สุดโดยเล็ดลอดหนีออกมาจากกองทัพนี้ไปไม่ให้ทั้งพวกเราและพวกทาหารยามรู้เห็นอีกฝ่ายหนึ่งคำเมนมองหน้าอีกครั้งเหมือนจะไม่แน่ใจในสิ่งที่หูได้ยินในเวลากลางคืนอย่างนี้เนะ่เหรอครับคุณหญิง ก็เวลาไหนจะเหมาะมากกว่าเวลานี้แล้วเพื่ออะไรครับเนี่ยก็เพื่อทางหนีทีไล่ไงยังน้อยที่สุดตามหลักยุทธศาสตร์แล้วคุณก็น่าจะรู้ดีกว่าฉันนี่ว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเราต้องการแผนที่ลักษณะของกำแพงเมืองทุกด้านแม้จะโดยสังเกตก็ยังดีหรือไม่ทำอะไรเลยก็นึกเซวัลรอบเข้าไปเดินเลาะเรียบดูกำแพงเมืองประหลาดนี่เป็นทุนเอาไว้ก่อน คืนนี่นะ่ะมันเดือนหงายพอสมควรจะช่วยเราสังเกตอะไรได้ง่ายขึ้นระพินชี้มือลงตรงหน้าพูดช้าๆคุณหญิงขอรับกระโจมพักของเรากระโจมนี้นะ่ะเป็นกระโจมเลย น, นะขอรับมันตั้งอยู่ใจกลางกองทัพที่ล้อมไว้โดยรอบคุณหญิงเจ้าปัญญาเจ้าแผนการ การุณาลองช่วยบอกได้ไหมล่ะครับว่าเราจะเดินลอยชายผ่านทหารยามรักษาการเหล่านั้นออกไปได้ยังไงโดยไม่ถูกธนูหรือหอกเสียบอกซะก่อนในข้อหาพยายามหนีหรือออกนอกเขตกักกันห่วงห้าช่วยบอกหน่อยเถอะครับดารินตีมือชี้วนอยู่ตรงหน้าหลอนโดยแรงอย่างเดือดดาลหน้าของหลอนงองม มีอาการเหมือนจะเอตโตโรอะไรลั่นออกมาด้วยความสุดแสนจะแค้นใจแต่แล้วก็สะกดอารมณ์ไว้ได้นี่นายรพินอย่าโม่แต่พูดโยกโยบายเบียงอยู่เลยนะขอใคุณรู้เสเดี๋ยวนี้เถอะว่าฉันต้องการจะทำตามที่ฉันพูดไปแล้วนะั่นจริงๆไม่ชีพูดเล่นฉันเป็นแพทย์ประจำคณะส่วนคุณน่ะเป็นพรานนำทางเคยเป็นตารวจตะเวนชายแดน เคยเรียนวิชารบมาแล้วทุกหลักสูตรไม่ว่าเสือพรานหรือพวกกริล่าวอเฟอร์แต่คุณกลับจะมาย้อนถามฉันยังงั้นเหรอว่าจะทำยังไงในเรื่องนี้อ่ะก็นอนหลับสบายๆเอาแรงเอาสมองไว้คิดการพรุ่งนี้ไม่เอากลับจะมาหาเรื่องทำเสียงต่อชีวิตจริงที่สุดมันไม่เข้าท่านะจอมคุเทศบนเสียงต่ๆ จริงๆนะเกิดมาเป็นคุณหญิงดารินนี่ยอดมาหายุ่งนะใช่สิยอดมาหายุ่งเลยถ้าฉันไม่ยุ่งสัยอย่างเดียวการเดินทางครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นมาได้หรอกเพราะพี่ใหญ่นะถึงแม้จะเป็นห่วงพี่กลางสักเพียงไหนก็ตามเ้าก็ไม่เคยคิดที่จะออกติดตามพี่กลางเลยสักครั้งที่มานี่ก็เพราะทนแรงยุ่งของฉันไม่ไหวรู้ใชด้วยแล้วทาไมเพราะความยุ่ง ฉันก็คงไม่พบพรานภัยใจเฮี้ยนที่ชื่อระพินซ้ำยังดันไปหลงรักตะพรานนั่นเนี่ยเก็บใจตัวเองซะอีกขนาดเจ้าชายในยุโรปบางองค์คือขอแต่งงานด้วยเะยังปฏิเสธเลยแต่แล้วก็มารักพรานป่าใจบาปหยาบช้าคิดมันเจ็บใจตัวเองจริงจริงหางเสียงประโยคหลังกระแทกกระทันกึ่งพอน้าตาคลออย่างน้อยใจระพินค่อยๆผลักหน้าขยินที่ยื่นเข้ามาอยู่ใกล้ใ ให้หันตะแคงไปอีกทางหนึ่งแล้วโอบเอาแม่ดอกฟ้าของเขาเข้ามากอดประทับไว้กับอกอย่างอ่อนโยนธนุถนอมจูบที่หน้าผากน่าเสียดายนะครับเขากระซิบล้อๆเฉยคางขึ้นและเอาริมฝีปากลงมาคลึงยั่วเล่นบนริมฝีปากในอ้อมแขนผักแผวยิ้มให้ความจริงก็น่าจะแต่งงานกับเจ้าชายยุโรปองนั้นสักก็หมดเรื่องไปแล้ว จะได้ไม่ต้องมาทำให้คนชื่อระพินทุกยากลําบากเลือดตาแทบประเด็นทั้งกายทั้งใจอยู่ในขณะนี้แต่ไหนๆก็พูดแล้วลองพูดให้ฟังให้ชื่นใจอีกสักครั้งนะครับพรานณาที่ชื่อระพินนะใจบาปจาบชาหนักเลยครับทาไมจะไม่ใจบาปจาบชาละ่ะคนเป็นพราม์น่ใจบาปจาบช้าทุกคนแบบไม่นั้นจะทําอาชีพนี้ได้ยังไง แต่คุณหญิงก็รักคนใจบาปหยาบช้าคนนั้นใช่ไหมล่ะครับรักทำไมอ่ะเอาละ่ะตอบก่อนพระเดี๋ยวจะจัดการให้ตามที่คุณหญิงต้องการแม้จะสั่งให้ผมวิ่งเอาอกไปสวนกระกระหอบของทหารมรกนครคนไหนก็ตามไม่รบบอกไนดะ้อย่างเดียวว่ารักก็แล้วกันบางทีอาจเป็นเพราะฉันชอบที่จะรักคนใจบาปหยาบช้าอย่างนายราพินคนนี้ก็ไดนี่ น, นีอย่ามาแกล่งถามถ่งเวลาอยู่เลย แต่คุณไม่ไปกับฉันด้วยก็นอนจะฉันจะไปกับขยินสองคนก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้นะเราพูดกันรู้เรื่องได้แล้วไม่ต้องการล่ามอีกแต่ถ้าคุณไปด้วยกันก็ดีฉันจะได้อุ่นใจเพิ่มขึ้นอีกหน่อยไงระพินไพรวันแหวกม่านออกไปดูมันก็เหมือนเหมือนกับลักษณะการตั้งกระโจมให้ฉเฉลยบรรดาศักด์ักแรมในทุกครั้งนั่นเองคือมียามเฝ้าอยู่ทั้งสี่ด้านห่างจากกระโจมออกไปไม่มากนกะชุดหนึ่ง ก็มีสามคนนั่งล้อมกองไฟกันอยู่ถัดไปก็เป็นกระโจมของนายทหารทั้งหลายและพวกเดินหรือเฝ้ายามเรียงรายอยู่เป็นระยะๆะะแสงสว่างพร้อมแพรมในขณะนี้เกิดจากกองไฟที่กองไวห่างๆกันกับใต้ดวงโต ต, ต, ตซึ่งปักไว้เป็นแนวไม่จะเป็นกองทัพทั้งกองคนเป็นพันๆมาตั้งเรียงรายอยู่กลางทุง่งเงามืดของราตรีก็มีอยู่ทั่วไปยากที่จะสังเกต คำนวณอะไรได้แน่ชัดนอกจากการขาดคะเนเอาเท่านั้นจอมพรานผู้มีอดีตเป็นเสือพรานมาแล้วส ก, กิปให้น้องสาวคนสวยของนายจ้างเขาสังเกตไปยังเหล่ายามตามไฟเหล่านั้นพลางกระซิบคุณหญิงครับก่อนที่จะเล็ดลอดออกจากกระโจมนี้ไปได้นะครับเราจะต้องเก็บเงียบยามที่เฝ้ากระโจมทั้งสี่ด้านอันเป็นกลุ่มยามที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเหล่านี้ลงซก่อนนะครับ เขาพูดยังหนักใจการเก็บนะ่ะมันอาจไม่ยากนักสำหรับผมและขยินหรืออาจมีคุณหญิงช่วยด้วยถ้าใจร้ายพอแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าแล้วเราจะเอาศพยามเหล่านี้นะําไปเก็บไว้ที่ไหนจึงจะไม่ให้กองทัพทั้งหมดเห็นภายหลังและถ้าหากมีการไต่สวนสืบเรื่องได้ว่าทหารยามเสียชีวิตลงเพราะพวกเราผมคิดว่าสถานการณ์ของพวกเราจะหนักทีเดียวเพราะฉะนั้น ลองคิดดูให้ดีอีกครั้งนะครับว่ามันคุ้มกันไหมกับการที่คุณหญิงต้องการจะเร้นตัวออกไปเพียงเพื่อตรวจสถานที่แล้วกลับเข้ามาใหม่ถ้าเราจะหนีออกจากกองทัพนี่ไปเลยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ระพินเราจับพยายามไม่ฆ่ายามพวกนั้นนะไม่ว่าโดยวิธีใดหล่อนบอกแต่ยามพวกนั้นพยายามจะฆ่าเราแน่ครับหากเห็นเราออกไปนอกขอบเขตที่กําหนด เพราะเขาจะเข้าใจว่าเราจะหนีระพินแย้งเป็นตรงข้ามดารินหันไปทางขยินพลางพยักหน้านี่ขยินเจ้าลองอธิบายให้พรานใหญ่รู้สิว่าเจ้ามีวิธีการเช่นไรบอกเขาอย่างที่เจ้าได้บอกกับชันไว้แล้วไงขยินหัวเราะเห็นฟันแต่ไม่มีเสียงโถ่นาะยหญิง ทำไมจะต้องบอกก็พรานใหญ่รู้ดีอยู่แล้วอะ่ะจอมพรานจ้องหน้าบุคคลทั้งสองในเงามืดไม่หมายความว่าคุณหญิงสะกดพวกเรากันเองด้วยยานอนหลับใชก่อนแล้วต่อมาก็จะให้ขยินสะกดยามพวกนี้ด้วยยารมอย่างงั้นเหรอครับอ้าวก็วิชาความรู้หรือความสามารถของพวกเราอะ่ะถ้าเก็บใส่กระเป๋าหรือใส่สมองไว้เฉยๆมันก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้ เอาเป็นว่าใครถนัดยังไงก็ทำอย่างนั้นขยินซางปลาและบุญคําพวกนี้นะมียาสะกดแบบรมด้วยควันทั้งนั้นเพียงแต่เขาจะเอาออกมาใช้เมื่อไหร่เท่านั้นยิ่งอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสะกดคนเป็นกองทัพให้หลับเป็นตายไปทั้งหมดแต่เราก็พยายามทำในบางส่วนเท่านั้นส่วนที่ควบคุมใกล้ชิดเรามากที่สุดและเราจาเป็นต้องยืมเครื่องแต่งกายของพวกเขาด้วย ระพินพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วทาไมคุณหญิงไม่เอาบุญคํากับสางปลาเข้ามาร่วมด้วยล่ะครับจะช่วยกันในเรื่องนี้ได้ดีกว่าขยินคนเดียวดารินสันสีรษะถ้านว่ายิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่องนะระพินคอยช่วยเหลือระวังการลาบากห่วงหน้าพวงหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสางปลานะ่ะเป็นคนของเมย์เขาโดยเฉพาะหากเราทําอะไรโดยไม่ต้องการให้เมย์รู้ ก็ไม่ควรจะเอาสั่งปลามาร่วมด้วยตัวยาสกดที่ทั้งบุญคำและสั่งปลามีใช้กันอยู่ในขณะนี้ขยินนะ่ะขโมยรวบรวมมาหมดแล้วมันอาจเป็นคนละสูตรกันแต่ผลก็เป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละรอบใส่ก็ไปในกองไฟเพื่อเกิดควันด้านไหนอยู่ใต้ลมในรัศมีกลิ่นไอโชยไปถึงไปอันหลักหมดกล่าวพลางหล่อนก็ล้วนเอาสิ่งหนึ่งขึ้นมาชูตรงหน้าและนี่อะไร เห็นไหมจำได้ปะพรนใหญ่รับมาพิจารณาแล้วสั่นสีสัะก็พวกวานยานั่นแหละคุณหญิงแต่จะเป็นวานประเภทไหนผมไม่ชำนาญะนี่เมื่อคราวสางเขียวพยายามเข้ามาโจมตีเราน่มันใช้ยาสะกดเข้ามาก่อนง่ายไซเขาสกัดไว้ได้ด้วยวานชนิดนี้แล้วเขาก็มอบให้ฉันไว้แท่งหนึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประสิทธิภาพของมันก็คือแก้ยาสะกดทุกชนิด ด้วยว่านชนิดนี้โดวยวิธีฝานออกเป็นชิ้นเล็กๆขยี้กับ น, น้ำถูจมูกกระปากไว้เราจะไม่พลอยโดนยาสะกดของเราเองด้ว ย, ยความจริงคุณหญิงก็มีแผนอยู่พร้อมศัพท์ น, นี่ครับก็เพียงจะปลุกขึ้นมาช่วยเท่านั้นแหละฉันน่ะไม่หนักใจพวกยามตามไฟที่นั่งกันอยู่นั่นหรอกกระพินเพราะมันห่างออกไปไอที่หนักใจก็จะยามทหารสองคนที่ยืนเป็นตุ๊กตา ถือหอกเฝ้าอยู่หน้ากระโจมเรานี่แหละมันจะทําให้เราเคลื่อนไหวไปถึงกองไฟที่ก่อไว้เหล่านั้นไม่ได้สังเกตดูยามที่ยืนอยู่มันจะเป็นนายของพวกที่นั่งก่อไฟอยู่ทีหนึ่งนะระพินจอมพรานกขมินมองด้านหลังของยามคู่นั้นมันสูงใหญ่ไล่เลี่ยกับขยินพอดีทั้งสองคนการย่องเข้าไปเพื่อกำจัดยามอาจไม่ยากนักสําหรับเขาแต่มันต้องหมายถึงเอากันถึงชีวิตเลยทีเดียว แต่ถ้าเป็นเพียงจะทำให้หมดสติไปชั่วขณะตามที่ดารินต้องการนะมันเสี่ยงมากต่อการผิดพลาดและทาพลาดความก็จะแตกทันทีเสียงม่ดอกฟ้าของเขาอธิบายอย่างแคล่วคล่องต่อมาว่าเอาเป็นว่าคุณกระขยินหาทางไปยืนเฝ้ายามแทนอยู่ตรงตำแหน่งยามคู่นั้นและต่อจากนั้นฉันก็จะหาอุบายถลาลเข้าไปคุยกับพวกที่ก่อไฟเหล่านั้นเอง เพื่อจะหาทางเอายาโรยลงไปในกองไฟพอเจ้ายามเหล่านี้นะหลับกันไปหมดก้อยขยินรักษาการอยู่ที่เดิมส่วนคุณก็ไปกับฉันนี่คุณหญิงครับผมน่ะไม่อยากจะโต้เถียงอะไรคุณหญิงหรอกเอาไงก็เอากันแต่อยากจะเตือนให้ทราบนะครับว่าไอ้พูดน่ะมันง่ายกว่าการทํายามร่างยักษ์สองคนนะ่ะมันไม่ใช่หมูที่ผมกับขยิงจะไปหิว้วมันมาได้ง่ายๆนะ โดยไม่เกิดเสียงร้องหรือมีพิรุธหรือว่าไม่มีการหลังเลือดนะครับร้ายหนักเข้าไปกว่านั้นคุณหญิงยังกำหนดเป็นหัวข้อห้ามอีกด้วยว่าไม่ให้อันตรายถึงชีวิตเอาละครับเสียงกัมาได้สารพัด ช, ชนิดแค่นี้ทำไมจะเสียงไม่ได้กล่าวจบรพินขวนกลับไปยังที่นอนของเขาอย่างรวดเร็วอึใจเดียวก็กลับมาพร้อมเชือกไนล่อนเส้นขนาดนิ้วก้อยยาวประมาณหนึ่งเมตร จับปลายทั้งสองด้านข้างละมือโดยขมวดพันมือไว้ให้แน่นเหลือส่วนกลางยาวประมาณศอกเศษส่วนเจ้าขยินก็งัดไม้ท่อนอันเหมาะมือซึ่งเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาถือกระชับไว้เอาไปว่าคุณหญิงคอยอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับจนกว่าผมจะจัดการกับเจ้ายามสองคนนั้นเรียบร้อยระวังให้ดีนะระพินหล่อนกระซิบสั่งมาอย่างร้อนรอน ขณะที่ทั้งสองแหวกกระโจมคลุมตัวย่างปรีเข้าไปทางด้านหลังยามทั้งสองคนซึ่งยืนนิ่งถือหอกอยู่ราวตุกกระตาหินระพินสกิดบุยบาบกับขยินเป็นสัญญาณตกลงกันว่าใครจะจัดการกับคนไหนแล้วใครจะลงมือก่อนหลังเรื่องทำนองนี้ขยินชำนาญมานานแล้วจึงไม่มีอะไรจะต้องห่วงมากนะัก มันพอจะทํางานร่วมทีเ่เมืองกับเขาได้ด้วยความเฉลียวฉลาดยิ่งเจกว่าพวกพรานพื้นเมืองของเขาเองสี่คนนั่นจะอีกซึ่งก็ต้องนับว่าหมอดารินเลือกคนขึ้นมาใช้งานได้ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งอีกสองเก้าจะถึงบืองหลังของยามคู่นั้นรพินตวัดสายเชือกในล่อนในมือคล้องคอเจ้ายามทางด้านหลังแล้วควยมือรับอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มันจะทันเปล่งคําใดออกมาได้พร้อมกันเขาก็หมุนตัวพลิกด้านหลังเข้ามาประชิดหลังของเขา โครงกายก้มลงในลักษณะแขวนคอของหน่วยคอมแมนโดจากนั้นก็หิวร่างอันใหญ่โตนั้นเดินคอมกายปกติรงมายังกระโจมพักที่ดารินรออยู่ปล่อยให้มือและเท้าทั้งสี่ของมันตะกายคว้าอากาศอยู่เดวเดามันจะเพียงแต่สลบหรือถึงตายเขาไม่กล้ารับรองเหมือนกันคู่ยามด้านขวามือรู้สึกในความผิดปกตินี้เพราะอยู่เพื่อนที่ยืนอยู่ด้วยกันก็มีอาการตีนหลุดลอยขึ้นมาจากพื้น แล้เคลื่อนลอยไปทางเบื้องหลังราวกับมีมือปีศาจมาฉุดปล่อยให้หอกที่ถือหล่นกระพื้นจึงหันควักมาดูทันทีขยินซึ่งรอคอยจังหวะนี้อยู่แล้วก็เนื้อไม้สุดแขนซัดพลวลงมาที่คอต่อเต็มเหนียวโดวยไม่สนใจเหมือนกันว่าจะถึงแก่ชีวิตหรือไม่เจ้ายามขวามือร่วงพลอยลงอย่างง่ายดายอดีตนายบ้านลมช้างโดดเข้าคว้าไปอีกทั้งสองข้างของมันไว้ก่อนจะหล่นถึงพื้นแล้วลากถอยหลังเข้าไปในกระโจม ทางเดียวกับที่ระพินใช้สายเชือกแขวนคอคนแรกเข้าไปก่อนแล้วในขณะที่ดารินเฝ้าดูอยู่ด้วยใจอันเต้นระทึกด้วยสัญชาตญาณอันเคยชินของแพทย์พอทั้งสองร่างถูกล่าเข้ามาในกระโจมหล่อนก็ทำท่าจะตรวจชีพจรแต่ระพินปัดมือเฉยไปพูดเร็วปรือคุณหญิงครับหน้าที่ของคุณหญิงตอนนี้ไม่ใช่มาตรวจดูอาการของไอ้สองคนนี่นะครับแต่ไปจัดการตามแผนเร็วที่สุดครับ นี่เขาไม่ตายแน่นะรพินรอนไม่ไวายร้องมาอย่างกังวลระพินโบกมือตวาดเบาเอาเป็นพวก เ, เราไม่ตายดีกว่าครับอย่างอื่นในช่างมันทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะเป็นแผนของคุณหญิงทั้งนั้นผมน่ะเป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติตามคําสั่งงานต่อไปนะ่ะเรื่องของคุณหญิงละด่ารินถุกออกนอกกระโจมและทําเป็นเดินทอดน่องช้าช้าตรงเข้าไปที่ทหารซึ่งอยู่ยามตามไฟทางด้านขวามือที่เห็นใกล้ที่สุด ส่วนภายในกระโจมพักระพินกับขยินลากร่างอันหมดสติหรือมิฉะนั้นก็อาจจะถึงเก่ชีวิตไปแล้วเข้าไปแอบบังอยู่หลังกองสัมภาระขยินนั่นจัดการลอกคราบเสื้อผ้าของทหารยามทั้งสองออกอย่างรวดเร็วนำมาสวมปลอมแปลงตนเองชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งส่งให้ระพินซึ่งดูรุ่มร่ามไปนิดแต่ถ้าไม่ใช้ความสังเกตให้ถีถวนจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะจับพิรุธนี้ได้ จอมพรานซ่อนเข็มขัดปืนสั้นไว้ภายใต้ชายเสื้อยาวซึ่งคลุมลงไปเกือบถึงเขา่าแล้วทั้งสองก็ออกจากกระโจมปลอมเป็นทหารยามถือหอกยืนเฝ้าอยู่ในตำแหน่งเดิมกับเจ้ายามแท้จริงซึ่งบัดนี้อาจหลับอย่างไม่มีวันตื่นไปแล้วดารินทำงานของหล่อนเสร็จเรียบร้อยก่อนหน้าที่ทั้งระพินและขยินจะโผล่กลับออกมาทาเป็นยืนเฝ้ายามซะด้วยซ้าวิธีการของหลอนก็ไม่มีอะไรยากเลย เลือกเอาตำแหน่งกองไฟที่เห็นอยู่เหนือลมมากที่สุดแล้วก็เดินทอดน่องโปรโยิ้มอ้ อ, อยอิงเข้าไปสนทนาทักทายกับทาหารที่นั่งล้อมกองไฟเหล่านั้นงานของหล่อนสะดวกยิ่งขึ้นเพราะพวกนั้นสูบบ้องยาอะไรชนิดหนึ่งซึ่งมีกลิ่นคล้ายๆพวกกัญชาอยู่ก่อนแล้วหล่อนพูดจากับทาหารพวกนั้นอย่างอ่อนหวานแล้วก็ขอพิจารณาบ้องยาสูบของเขาเหล่านั้นเพราะกรถามน่นถามนี่ ชั่วไม่ถึงหานาทีของการเข้าไปใกล้กองไฟหล่อนก็สามารถโรยตัวยาที่คันยินมอบให้มาเข้าในกองไฟได้สำเร็จปฏิกิริยาของมันขณะที่กระทบเข้ากับไฟก็คือระเหยเป็นควันสีเทาอ่อนๆปะปนไปกับควันของฟืนโดยแทบจะสังเกตไม่เห็นและลมพัดไปทางไหนมันก็โชยไปทางนั้นจากนั้นหล่อนก็พละไปแอบโรยยาลมยังกองไฟตาแหน่งอื่นๆอีก เท่าที่เห็นว่าจําเป็นในรัศมีรอบกระโจมพักมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเหล่าทหารที่อยู่ยามตามไฟเท่านั้นแม่นายทหารชั้นสูงซึ่งนอนพักอยู่ในกระโจมในละแวกใกล้เคียงก็ย่อมจะโดนควันลมเข้าด้วยสุดแต่ลมจะโชยไปถึงไหนแล้หล่อนก็ทําเป็นหวนกลับมายืนคุยกับทหารยืนยามทั้งสองซึ่งแท้จริงก็คือระพินและขยินนั่นเองอีกนานไหมขยิน กว่ายารมจะออกฤทธิ์ไม่นานรอกนายหญิงตอนนี้นะเพื่อกันสงสัยหากจะมีทหารลาดระเวนขี่มาผ่านมาขอยนายหญิงเข้าไปหลบในกระโจมก่อนจนกว่าไอ้พวกนั้นมันจะเทเก้กันไปทั้งหมดซะก่อนขยินกับพรานใหญ่จะสังเกตเหตุการณ์อยู่ตรงนี้เองว่าพลางขยินก็เอามือที่เปื้อนว่านแก้พิษวันสะกดขยี้จมูกตัวเองอีกครั้งเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดว่า ตนเองก็จะไม่โดนเข้าด้วยชั่วไม่นานนักทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามแผนที่ดารินวางไว้หมดทุกอย่างพวกอยู่ยามตามไฟง่วงงบกอดอาวุธนอนหลับกรนกันสนันวันไว้อยู่ริมกองไฟที่ก่อไว้นั่นเองความแรงของอำนาจสะกดที่ขยินไปขโมยจากย่ามของบุญคํากระสางตาขณะทหารที่ขี่มาลาดระเวนตรวจ ด, ดูความเรียบร้อยภายในค่ายอยู่เป็นระยะพอผ่านขึ้นรัศมีควัน ก็ยังมีอาการวิงเวียนมึนงงบ้างฟุบหลับคาหลังมาบ้างก็ร่วงลงมานอนแผ่กับพื้นเรากระถูกระเบิดไอพิษขยินเจ้าจงยืนทำทีเหมือนจะเฝ้ายามอยู่ตรงนี้เลยนะอย่าได้ไหวตัวไปไหนไปนั่นขัดจนกว่าชั้นกันนายหญิงจะกลับมาระพินสั่งแล้ววิ่งไปที่กระโจมพักด้รินคอยทีอยู่ก่อนแล้วก็แล่นสวนออกมาเรียบร้อยดีหรือเปล่าระิน เรียบร้อยครับแต่คุณหญิงจะไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนชุดเป็นทหารหน่วยลาดระเวนซะก่อนการผิดสังเกตนะครับอย่าลืมนะครับว่าทหารกองนี้มีเป็นจำนวนมากไอ้ที่โดนควันสะกดเข้าไปจริงอย่างมากก็ไม่เกิน 5% ปเซที่แวดล้อมอยู่ใกล้ชิดเราที่สุดเท่านั้นนะครับพร้อมกับพูดเขายกเสื้อผ้าของทหารชุดหนึ่งซึ่งเลือกสรรไว้แล้วไปให้หล่อนดารินรับอย่างปราศจากการลังเล จัดการเปลืองชุดที่สวมใส่อยู่ต่อหน้าเขาอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่ทรัพย์ในสองชิ้นก่อนที่หล่อนจะสวมชุดทาหารหลวงของ ม, มรกรนคราพินผู้ยืนมองอยู่ในเงาสลัวก็รวบร่างที่เกือบจะเปลยนั้นเข้ามากอดไว้แนบอกนายหญิงของผมผอมลงไปมากครับผมจะผพิตาทีเดียวแต่ก็แกร่งกรงขึ้นครับหล่อนผลักอ ก, อกเขาเบาๆให้ถอยห่างออกไปฉันไม่สวยเลยใช่ไหมล่ะ นอนกระดนินกินกระซายสมบุกสมบันยิ่งกว่าสัตว์ป่าแบบนี้ที่ไหนได้ครับสวยกว่าเดิมก็อีกตึ้งแยะนี่ไม่งั้นราษยะคงไม่คเม่นมองตาเป็นมันกนกนี่อย่าโมาแต่พูดเล่นอยู่เลยระพินหลอนว่าจัดแจงแต่งกายอย่างรวดเร็วชุดทหารที่ระพินเลือกเฟ้นมาให้ได้ขนาดพอเหมาะพอเจาะสำหรับหลอนที่สุดพอคาดดาบสะพายธนูเอาผ้าพกหัวซ่อนผมไว้ก็กลายมาเป็นนักรบหนุ่มน้อย ชาวมรกฎนครผู้สง่างามยิ่งนักเราเน็บจุดสห้ซ่อนไว้ที่เข็มขัดใต้เอวเสื้อส่วนกระสุนสำรองนัทหรอจากเข็มขัดใส่ลงไปในย่ามหรือท้ของเสื้อนักรบซึ่งเย็บติดไว้ทางเอวด้านซ้ายไปเราจะไปกันเดี๋ยวนี้แหละให้ขยินทําหน้าที่ยามยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้เพื่อตกตาหากจะมีสายตรวจที่ยังไม่ถูกยารมผ่านเข้ามาเมื่อหนกลับออกมาอีกครั้ง ขยิงจูงมาสองตัวซึ่งเจ้าของมอยกระรอกลงมานอนกลิ้งอยู่กับพื้นไปแล้วด้วยอำนาจยาสะกดมาให้นายหญิงครับขี่ม้าจะลดอันตรายและช่วยลดการถูกสงสัยได้ดีกว่าเดินไปเพราะพวกขี่ม้าจะเป็นพวกลาดระเวนไปตลอดทั้งกองทัพระหว่างพักแรมโดยไม่จำกัดครับอดีตนักเลงโตหลุมช้างบอกดารินยิมพรตบไหลขยิงหนักหน่วง เจ้าฉลาดมากนะขยินฉลาดเกินกว่าที่ฉันคิดฉันกับฟานใหญ่จะไปไม่นานนักนะและจะกลับมาก่อนที่ฤทธิยาสะกดจะหมดสิ้นลงหลังจากนั้นเราจะกลับเข้าไปนอนในกระโจมพักของเราทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นพร้อมกับกล่าวหล่อนเหยียบโกลนเวียงกายขึ้นบนหลังมา้าเมื่อผิดกลิ่นม้าสึกผกผนทําท่าจะพยศเอาเล็กน้อยแต่ดารินแสดงให้เห็นชัดถึงผู้ชํานาญพอสมควรในด้านนี้ หลันบังคับม้าให้ตกอยู่ในอำนาจโดยไม่ยากนักแล้พยักหน้าเรียกใหระพินโดดขึ้นขี่อีกตัวหนึ่งช่วไม่กี่อึดใจทั้งคู่ก็ขี่ม้าของหน่วยลาดระเวนย่ะย่างช้าชาเพื่อไม่ให้เกิดพิรุษผ่านไปตามกระโจมพักและกองทาหารที่เรียงรายอยู่โดยไม่มีสิ่งใดชวนสงสัยในหมู่ของทหารเวรยามอื่น ท่ามกลางความมืดของราตรีสว่างวับแวมก็แต่เพียงกองเพลิงที่ก่อไว้เป็นยอมยอมกับอีกด้านหนึ่งที่พอจะสังเกตได้ก็คือแสงสว่างเรืองๆที่ส่องขึ้นมาจากภายในกำแพงเมือง ม, มรกนครเท่านั้นออกจะเป็นการลำบากไม่ใช่เล่นเหมือนกันในการที่จะหาทางตัดออกนอกเขตค่ายพักของทหารโดยไม่วกบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารี หาทางตัดออกให้พ้นแนวกองทาหารในระยะสั้นที่สุดและหลีกให้ห่างพวกลาดระเวนด้วยม้ามากที่สุดด้วยเราไม่ทราบว่าพวกนี้มีการทักทายหรือขานรหัสกันเช่นไรหรือไม่หลอนกระซิป บ, บอกเขาเระพินพยักหน้ารับทราบเราจะตัดออกทางปีกขวาของกองทัพซึ่งจะตรงกับด้านซ้ายของกำแพงเมืองแล้วหลังจากพ้นเขตกองทัพไปแล้วเราจะใช้ม้าอีกไม่ได้เป็นอัรขาด เพราะเสียงฝีเท้ามาจะดังก้องในเวลาวิกาลเช่นนี้ทําให้ฝ่ายในกองทัพสงสัยได้ว่ามีทาหารมาหน่วยลาดระเวนออกห่างจากที่ตั้งก็สุดแลแต่คุณจะเห็นสมควรเถอะระพินฉันจะเป็นตะเพียงพูดตามเท่านั้นรพินนําน้องสาวของนายจ้างของเขาเหาะมาเหาะเรียบไปตามสมทุมพุ่มพฤกษ์เตี้ยๆของทองทุ่งหน้าเขตประตูเมืองซึ่งขณะนี้เป็นที่ตั้งของกองทัพไ พ, พร่พล น, นับพัน หลับนอนกันอยู่เพื่อจะรอตะวันขึ้นร่องรอยการขึงกระโจมนอนของทหารเหล่านั้นเริ่มบางตาลงเป็นลำดับเมื่อออกห่างใจกลางกองทัพออกมาทันใดนั้นเองก่อนที่ระพินและดาริงจะก้าวลงจากหลังมาเพราะรู้สึกว่าพ้นเขตกองทัพแล้วนั้นทั้งสองก็มีความรู้สึกเหมือนมีงูมารัดพันกายไปอย่างรวดเร็วด้วยปลิวตวัดมาจากเบื้องหลังดาริงอุทานลันออกมาอย่างลืมตัวสะบัด พร้อมๆกับการสะบัดของหล่อนนั่นเองสายยาวๆที่รวบรัดมัดกายหล่อนไว้ก็ถูกกระชากโดยแรงทั้งดารินและพรานใหญ่ระพินลอยละลิ่วลงมาจากหลังมา้าสึกตัวใหญ่ที่ขี่อยู่และถูกลากช้าๆโดยพลังมหาศาลก็คงจะลากโ ด, ดยม้านั่นเองจากเสียงฝีเท้าที่เหาะ ก, กุบกับอยู่ในขณะนี้สิ่งที่มัดกายอยู่นั่นคือสายบาบนั่นเอง มีเสียงหัวรอนใสๆดังออกมาจากเงามืดของร่มไม้ใต้เงาพระจันทร์ะคนไปกับเสียงของการเคลื่อนไหวคึกคักรอบกายทั้งสองพยายามจะดึงปืนที่ติดตัวอยู่แต่ไร้ประโยชน์บาด ท, ทั้งสองเส้นรวบรัดแขนทั้งสองไว้แน่นโดยมัดติดกละลำตัวประคองเขาทั้งสองขึ้นและบอกเขาด้วยว่าผู้ที่หยุดเขาไว้ในครั้งนี้คือเมยานีผู้ปรารถนาดี เสียงพูดนั้นชัดเจนในกระแสที่อ่อนโยนนุ่มนวลระคนไปด้วยอำนาจพร้อมกันก็มีเงาของชายจักรันกลุ่มหนึ่งประมาณ4ี่ห้าคนในเครื่องแบบของทหารหลวงพุ่งเข้าถึงตัวบุคคลทั้งสองขณะที่นอนกริ้อยู่และฉุดประคองขึ้นระหว่างที่ระพินกําลังตะลึงอยู่นั้นดารินซึ่งหวาดระแวงภัยอยู่แล้วทุกฝีก้าวย่างสลัดสายเชือกบาด ท, ที่รัดแขนทั้งสองของหล่อนคลายออกพร้อมกับพยายามจะดึงปืนสั้นประจําตัวอีกครั้ง ตหลอนก็จำต้องชะ ง, งักงันอยู่เพียงนั้นเพราะปลายหอกอันต้องแสงเดือนเป็นประกายขาววับโผล่จากเงามืดของร่างที่อยู่บนหลังมา้าและจ่อปลายชิดคอหอยของราชสกุลสาวนักผจนภัยในทันทีนั้นแค่รู้ว่านายหญิงเป็นผู้ที่มีความสามารถเกินสตรีไม่เป็นแต่เพียงแพทย์ผู้ทรงวิทยาคุณอันเลอเลอะเท่านั้นฝีมือในการต่อสู้และน้ำใจก็เด็ดเดียว กลาแข่งนะักแต่ณนะบัดนี้เดี๋ยวนี้นายหญิงไม่รวดเร็วไปกว่าหอกของเมยานีไปได้หรอกเพราะฉะนั้นยุดติดความคิดในด้านที่จะต่อสู้ขัดขืนลงซะเถอะที่สำคัญที่สุดก็คือเราทุกคนที่แวดล้อมตัวท่านอยู่ในขณะนี้หาได้มีภัยอันตรายใดๆแก่ท่านไหมดารินยืนตัวแข็งทื่อขมห อ, อกกดแน่วนิ่งมายังลาคอของหลอน จนรู้สึกถึงความเจ็บถ้ามันลึกกว่านั้นอีกนิดเดียวก็แปลว่าผิวลำคอของหลอนจะต้องทะลุเป็นมือหอกที่สนิทนิ่งและเที่ยงตรงที่สุดเมยานีหล่นลุดปากอุทานออกมามีเสียงจุ ป, ปากเบาๆพร้อมกับกระแสะเสียงพูดดังมาจากเจ้าของปลายหอกซึ่งยังเป็นเงาทงมึนอยู่ภายใต้ความมืดวจะส่งเสียงอืงไป ใช่ล้ค่าคือเมยานีคือลูกสาวของขุนพลอรชุนที่แหกเอานักโทษของรหัสสยาหนีไปได้เมื่อคืนนี้น่ะเหรอใช่ <c oughs> เสียงตอบมากรูหัวเราะแผ่วเบามันมีทั้งหวานและทั้งเขี่ยมอยู่ในสำเนียงนั้นเมยานีคนนี้แหละคนที่นายหญิงกระชากลงมาจากหลังมาก่อนที่จะปักหอกลงไปบนอกของกุตมะ คนทรยศนายหญิงเป็นคนกล้าหาญมากพร้อมกับเสียงอันเนิบนาบนั้นมาทำมินในเงาไม้ก็โผล่มากลางแสงจันทั้งรบพินและดาเริงจึงมองเห็นร่างในชุดนายทหารมานั้นอย่างถนัดแต่ใบหน้าคลุมเครือเพราะมีผ้าพันคอตวัดมาปิดหน้าไว้อันเป็นลักษณะของทาหารหลวงทั้งหลายเพื่อป้องกันความหนาวในเวลากลางคืน พมหอกนั้นถอนออกไปจากการจอคอดารินเมื่อแน่ใจว่าจะไม่มีการขัดขืนต่อสู้ใดๆอีกแล้วคำสั่งก็มีต่อมาแต่กับคนของนางเองว่าทหารแก้สายบาด ท, ทั้งสองออกเดี๋ยวนี้ขาดคำสั่งอันแผ่วเบาเฉียบขาดนั้นกลุ่มของชายชะกันซึ่งความจริงก็ปรากฏออกมาแล้วว่าเป็นพวกทหารโจปรปลอมแปลงทั้งสิน้นก็แก้สายบ่วงที่รัดกายดาริน กับระพินผู้ยังยืนนิ่งอยู่ออกเป็นอิสระแม่ยานีมีดวงตาต้องประกายจันเป็นมันคลับหยอกมาด้วยท่าทางอันแคล่วคล่องสง่างามอ้อมมาทางจอมพรานพร้อมกับเอ่ยปราศัยขึ้นว่าคงเป็นท่านระมังที่มีนามว่ารพินไทรวันพรานผู้ยิ่งใหญ่นักนำทางที่ทรหดและแม่นยำต่อเป้าหมายที่สุดในพิภพโลกนี้ ระพิงยิ้มออกมานิดหนึง่งพร้อมกับยักไหล่เราชื่อระพินไพรวันถูกต้องแต่จะเป็นพรานผู้ยิ่งใหญ่ซักเพียงใดหรือเป็นนักนําทางที่แม่นยําต่อเป้าหมายเพียงไหนเราหารู้ไม่แม่ยานีหัวเราะแผวเบาก้มศีรษะให้เขานิดหนึง่งเรารู้ว่าท่านยิ่งใหญ่เพียงใดหาไม่คงจะไม่บุกบัน่นฟันฝ่ามาถึงแผ่นดินของเราได้หรอก และเราขอขอบใจกับพวกท่านทุกคนในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำไปแล้วก็นางคิดว่าเราทำอะไรไปบ้างแล่ะที่เป็นที่มาของความขอบใจของนางสิ่งที่เราจะขอขอบใจต่อท่านและพวกท่านโดยตรงก็คือน้ำใจอันการุณซึ่งมีต่อคนของเราระหว่างเป็นนักโทษของราหัสยะ ส่วนสิ่งที่เราจะขอบใจท่านทางอ้อมก็คือนางโจมสาวหรืออีกนายหนึ่งทิดาแห่งอดีตขุนทัพอรชุนเว้นระยะไปนิดหนึ่งกระโดดลงจากหลังม้าด้วยอาการอันรวดเร็วและเบากริบแทบไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวนั้นเดินมาเผชิญกับทะลย ข, ของกองทัพหลวงมรกฎนครพวกท่านจะรู้โดยตัวจงใจเจตนาหรือไม่ก็ตาม แต่ท่านและกลุ่มของท่านได้นำดวงประทีปชัยมาคืนให้แก่ประชาชนชาวมรกฎนครทุกคนจักราากราตองมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์เทพผู้มีสิทธิเหนือบัลลังก์มรกฎนครโดยชอบธรรมใช่ไหมที่นางหมายถึงนะระพินพูดช้าช้าเน้นชัดทุกถ้อยคาไม่ยานีหัวเราะน้อยน้อยสลัดผ้าคลุมหน้าออก ท่านพรานเรารู้ว่าท่านเป็นผู้เดียวที่รู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าคนหนึ่งในกลุ่มคนรับใช้ของท่านคือใครและท่านก็ได้ให้ความปราณีอบอุ่มอุมอมปการะเข้ามาโดยตลอดบุญคุณของท่าน้นนี้กองทัพประชาชนของมรกรกนครหรือท่านจะเรียกว่าเป็นกองโจรก็ได้จะไม่มีวันลืมเลือนไปได้ได้รินเดินเข้ามาจนใกล้ แล้วเอื้อมมือจะสัมผัสกายแต่มิยานีถอยตัวห่างออกไปอย่างไม่ไว้วางใจหรือมิฉนั้นก็โดยสัญชาตญาณดารินรีบบอกโดยเร็วมิยานีเจ้าอย่ากเกรงหรือหวั่นระแวงอะไรเราเลยนะเจ้าและพวกเจ้าอันเป็นกองทัพประชาชนทั้งหลายย่อมจะประจักษ์ดีอยู่แล้วว่าฝ่ายเราทั้งหมดที่มากันนี่หาได้มีภัยใดๆกับพวกเจ้าไม่ครั้งแรก ที่เราเตรียมจะต่อสู้ก็เพื่อป้องกันตัวเองโดยนึกว่าเป็นทหารหลวงเท่านั้นนึกไม่ถึงว่าจะเป็นหน่วยโจรของเจ้าที่ปลอมแปลงมาดักเฝ้าอยู่บริเวณนี้และเล่นงานเราจากเบื้องหลังด้วยสายบาทพร้อมกับพูดดารินเดินเข้าไปใกล้อีกเมญานีมีอาการเหมือนจะลังเลแต่แล้วก็หยุดยืนนิ่งยอมให้นักมนุษยวิทยาสาวจากโลกภายนอกเอื้อมมือมาจับข้อมือไว้ นายหญิงข้ารู้จักนายหญิงมาดีพอสมควรจึงทำให้บังเกิดความเกรงกลัวและคาระวะดารินยิม้มเจ้ารู้จักเราได้ยังไงเมยานีข้ารู้จักทั้งส1บอคนในคณะของท่านรู้ว่าใครเป็นใครอยู่ในฐานะเช่นไรเหมือนกับว่าข้าเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมออกเดินทางมาตั้งแต่ต้นพร้อมกับท่านเช่นกัน ถ้าเชนั้นก็แปลว่าคนหนึ่งในคณะของเราที่ได้ร่วมเดินทางมาแต่ต้นและบัดนี้ได้ไปร่วมอยู่ในชมรมของเจ้าแล้วเป็นผู้บอกให้เจ้าทราบนั่นเองเราสงสัยแต่แรกแล้วล่ะที่เจ้าเอ่ยเรียกเราว่านายหญิงเมยานีด้วยใจจริงของเรานายหญิงผู้นี้รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบเห็นเจ้าอีกแต่บอกหน่อยเถอะว่าเจ้าไปยังไงมายังไงถึงได้มาดักสกัดเราสองคนไว้เช่นนี้ พวกเจ้าปลอมเป็นทหารหลวงเช่นเดียวกับเราแล้วลอบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่พักแรมอยู่ตรงหน้าประตูเมืองเพียงแค่นี้เพื่อประสงค์สิ่งใดเอาเป็นว่านายหญิงกับพรานใหญ่กำลังจะเล็ดลอดหนีออกจากกองทัพนี้จึงบอกข้าก่อนเถิว่ากำลังจะไปไหนกันเมายานีกลับย้อนถามมาเมายานีเราไม่ได้คิดจะเล็ดลอดเพื่อห น, นีไปไหนหรอก เราเพียงแต่ออกสำรวจสถานที่เท่านั้นแล้วก็จะกลับเข้าไปร่วมอยู่กับพวกเราส่วนใหญ่ในฐานะเฉลยของกรรษัตริย์สิงหาต่อไปเมยานีสัมสีสัจเช่นชานายหญิงคะนายหญิงนักทหารเกินไปแล้วก็ไม่เป็นการปลอดภัยแม้แต่นิดเดียวที่ท่านและไม่ว่าใครก็ตามในกลุ่มของท่านจะเล็ดลอดหนีออกไปจากกองทัพในเวลาเช่นนี้ แมยจะใช้วิธีปลอมแปลงให้ดูเหมือนทหารหลวงมรกรนครนก็ต่าเพราะกฎมีอยู่ว่าเมื่อกองทัพมาหยุดยั้งอยู่หน้าประตูเมืองเพื่อรอตะวันขึ้นในวันรุ่งห้ามไม่ให้ทหารในกองทัพออกลาดระเวนและใกล้ริมกำแพงในยามราตรีเป็นอันขาดเว้นแต่ภายในเขตที่ตั้งของกองทัพตนมิฉะนั้นจะได้รับอันตรายจากการเข้าใจผิดของหลายหลายฝ่าย ทหารที่อยู่เวียงยามประจําเชิงเทินอาจยิงด้วยธนูลงมาหน่วยกองโจรของเราที่มีอยู่ทั่วทุกขัวระแหงก็อาจลอบสังหารท่านเพราะเข้าใจว่าเป็นทหารหลวมโชคดีอยู่บ้างนะที่ฝ่ายเราได้มองเห็นการเคลื่อนไหวของพวกท่านโดยตลอดในระหว่างที่พวกเราได้แทรกซึมปลอมแปลงเข้ามายึดหน่วยยามด้านนี้ไว้ก่อนที่ท่านทั้งสองจะพ้นออกไปจากเขตกองทัพด้านนี้เราจึงยับยั้งสกัดกั้นไว้ซะก่อน และเป็นการกระทันหันมากก็เลยจำเป็นต้องใช้วิธีมัดไว้ด้วยสายบาดก่อนเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองเมยานีพบานางก็ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องดิ้นรนออกเสา ะ, สะ แ, าแสวงหาเบาะใสให้เหนื่อยเปล่าบอกเราตามตรงดีกว่าคืนนี้นางจะมีปฏิบัติการเช่นใดกับกองทัพนี้ซ้ำอีกหรือไม่เมยานีสันหน้ายิ้มน้อย เราไม่มีปฏิบัติการอันใดกระกองทัพในคืนนี้หรอกแต่ได้รับบัญชาให้หาทางเข้ามาติดต่อเพื่อบอกข่าวกับพวกท่านซึ่งก็ประจวบเหมาะกับที่ท่านกําลังจะหาทางฝ่ากองทัพออกมาพอดีนี่ข่าวอันใดที่นางจะบอกกับพวกเราและเป็นข่าวจากใครละ่ะประพินถามโดยเร็วแม่ยานีเหลือบมองไปรอบด้านในความมืดสลัวนั้นซึ่งมีเงาตะคุ่มของทหารมา เหาะเดินสวนกันอยู่ไปมารอบด้านกิริยาของหล่อนเยือกเย็นปราศจากความรุ่มร้อนกระวนกระวายใดๆทั้งสิน้นมันน่าจะหมายถึงว่าเวรยามทางด้านนี้กลายเป็นคนของกองโจรที่ปลอมแปลงเข้ามายึดครองไว้หมดสิ้นแล้วทิดาสาวแห่งอดีตขุนพลยุคษัตริชนุพรมนาตโบกมือน้อยๆกับทั้งสองเป็นสัญญาณให้เดินตามหล่อนไปพอรับพุ่มไม้หนาทึบ ก็พบกับกองไฟย่อมย่อมที่ก่อไว้ก่อนพร้อมกับสุราอาหารอันเป็นสเสบียงของทหารยามมีเวรยามประจำอยู่สามคนและทันทีที่เห็นเมยามีเวญยามซึ่งก็คือทหารโจปรปลอมเหล่านั้นก็ลุกขึ้นโค้งกายคารวะแล้วหลีกหายไปในเงามืดเมยามีพายมือลงยังขอนไม้เบื้อง่ากองไฟที่ก่อไวเป็นขอนไม้ใหญ่ที่ถักหน้าไว้เรียบราบ สะดวกแก่การนั่งพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเมื่อต่างนั่งลงล้อมกองไฟเบื้องหน้ารัศมีจากไฟในกองสาดแดงวอรแวรทําให้มองเห็นหน้ากันได้ถนัดยิ่งขึ้นทั้งดารินและรัพินจ้องใบหน้าและสุดทรงงามราวกับวาดนั้นด้วยความพินิษส่วนหลอนก็จ้องมองทั้งสองอย่างสนใจใคร่ครวนเช่นกันอึดใจต่อไปจึงหันไปหยิบหายย่อมย่อมที่วางอยู่ข้างๆตัวขึ้นมา เปิดฝาและส่งให้ดาริมก่อนด้วยการคาระวะอะไรเหรอเมยานีมีไรของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อปลดแอกแห่งมรกรกนครค่ะนายหญิงไม่ใช่สุราบัดซบของเหล่าทหารทรราชหรอกเมยานีขอคำนับส่งให้นายหญิงและท่านพรานจากใจจริงขณะนั้นอากาศกำลังหนาวจั ดารินพูมทำขอบใจรับไายเล็กๆอันนั้นมาถือไว้ไอระเหยของมันที่โชยขึ้นมาหอมหวนแบบเล่าหมักเลยยกขึ้นจิบสองสามอึกมันหวานเฝื่อนเมื่อผ่านลำคอเข้าไปแต่พอตกถึงท้องก็ร้อนว่าด้วยดีกรีสูงแล้วหมอดารินก็ส่งต่อไปให้จอมพ่านเขารับมาดื่มเช่นกันเลือดลงวิ่งพล่านยิ่งกว่าบอลดีเพลียวเสี ย, ยสอีกช่วยลดความหนาวเย็นของอากาศลงได้ เกือบครึ่งค่อในโดยเล่าหมักชั้นดีหายเดียวกันนั้นเมื่อระพินส่งคืนเมยานีก็รับมาดื่มราวกับน้ำรูปทรงท่า น, นั้นที่เป็นสัตรีนอกจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของหญิงสาวชาวมรกรนครผู้นี้มีความคมเข้มเป็นชายชาตรีโดยแท้ท่านทั้งสองไม่ต้องกังวลใจหรอก เราจะนั่งผิงไฟสนทนากันที่นี่ได้ตามสบายทีเดียวเพราะบริเวณด้านนี้ทหารของข้ายิดเงียบไว้แล้วทั้งหมดยึดเหรอหมายความว่ายังไงเมยานีดารินร้องอย่างตกใจเมญานีเผยรอยยิ้มให้เห็นไรฟันขาวนามจากริมฝีปากที่บางคมเฉียบเป็นมุมกระจับนั้น นั่นก็เหมือนกับที่ท่านยึดยามที่แวดล้อมกระโจมพักของท่านแล้วพากันพยายามจะหนีออกนอกเขตค่ายพักนั่นแหละค่ะนายหญิงเพียงแต่ผิดวิธีการกันไปบ้างเท่านั้นท่านอยู่ภายในหาทางลักลอบจะออกไปด้านนอกส่วนพวกข้าอยู่ด้านนอกแต่ยึดเอาด่านทหารรอบนอกด้านนี้ไว้โชคดีมากที่ข้ามาทันเวลาก่อนที่ท่านทั้งสองจะออกไป เพราะการตามตัวกันในคืนนี้คงจะเกิดอันตรายขึ้นแน่นเจ้าจะเข้าโจมตีกองทัพหลวงนี่ซ้ำสองในขณะที่มาพันนักอยู่ใกล้ประตูเมืองแค่นี้เนี่ยเหรอเมยนีเมยานีานหัวเราะเสียงใสถ้าเป็นการโจมตีซ้ำสองก็น่าจะทำได้สำเร็จอย่างง่ายดายละเพราะศัตรูชล่าใจว่ากองโจรคงจะไม่กล้าทำงานแบบเดิมซ้าอีก อีกประการหนึ่งกองทัพนี้ก็ใกล้พระนครแค่นี้เองกองโจรที่ไหนจะบังอาจแต่ข้าได้บอกแล้วข้าไม่ได้มีปฏิบัติการรุนแรงอะไรกับกองทัพนี่หรอกเพียงแต่จะหาทางเข้ามาติดต่อกับพวกท่านเท่านั้นวัลหลอนก็หันไปทางระพิดจ้องสำรวจลักษณะของเขาอย่างลึกซึ้งด้วยสายตาคมกริบเอ่ยต่อมาเบาๆว่าท่านพลาน เมื่อวันบ่ายของวันนี้ท่านได้รับสัญญาณจากจักรราชและอ่านได้เข้าใจดีหรือไม่จอมพรานพยักหน้าลงช้าๆ้ามียานีไปบอกจักรราชเถอะนะว่าเราเห็นและเข้าใจดีตลอดแล้วแต่ก็เข้าใจเฉพาะข้อความที่ส่งมาสั้นๆเท่านั้นมันไม่ช่วยให้เรากระจ่างในลู่ทางนักเชื่อว่านางคงจะมีอะไรมาอธิบายให้เราได้ทราบละเอียดขึ้น ก่อนที่เมยานีจะ ก, กล่าวเช่นไรนั้นดารินก็ถามมาว่านี่เมยานีก่อนอื่นเราต้องการทราบว่าแง่ทรายอดีตคนใช้ของเราฤ า, าษีจักรราชองมกุฎราชกุมารของพวกเจ้าในปัจจุบันขณะนี้นั่อยู่ที่ไหนเมยานีเปลี่ยนสายตาไปยังดารินทันทีนาะยหญิงคะ่ะองค์จักรราเขาอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดแล้วพร้อมกับผู้เท่า และกองทัพประชาชนเขาฝากคารวะมายังเจ้านายเก่าของเขาทุกคนและก็ให้บอกด้วยว่าครั้งนี้เป็นคราวจำเป็นนักที่จะต้องแยกตัวหลบหนีไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อความปลอดภัยของพวกท่านทุกคนด้วยเขาจะยังไม่ทำการสิ่งใดไปทั้งสิ้นจนกว่าจะเห็นว่าฝ่ายท่านทุกคนรวมทั้งผู้ที่ท่านติดตามค้นหาอยู่ในฐานะปลอดภัยแล้ว เขาย้ำให้เรานำความมาบอกเช่นนี้รพินรีตาลงส่วนดารินพยักหน้าเช่มช้าเมญีนีทางฝ่ายเรานะยังไม่สู้เข้าใจอะไรนักหรอกนะจากราชทรงข่าวมาแต่ว่าขอให้เราไปพบกษัตริย์สิงหราในฐานะเฉลยเช่นที่เป็นอยู่นี่และหากถูกสอบถามถึงจำนวนคนหนึ่งที่สูญหายไปก็ยอมรับอีกด้วย ก็ถ้าเมื่อเรารับแล้วว่ามีใครมากับเราด้วยอีกคนหนึ่งหากสิงหราถามเพื่อเอาตัวบุคคลผู้นั้นเราจะปฏิบัติเช่นไรต่อไปล่ะท่านพระขณะนี้คนที่ท่านพยายามเดินทางบุกบันมาเพื่อติดตามน่ะตกอยู่ในกำรรมือสิงหราทั้งสองคนไม่ใช่เหรอบารินก้มศีรษะแล้ ว, ว่าใช่นั่นแหละคือปัญหาสาคัญน่ะ นายหญิงคะแต่เราหรือใครๆในมรกรนคอนี้ก็ยังไม่แน่ใจนักนะว่าทั้งสองคนที่ถูกจับเมื่อปีก่อนนี่จะยังมีชีวิตอยู่อีกหรือไม่ยกเว้นแต่พวกที่ใกล้ชิดกระสิงอราจริงๆเท่านั้นคำพูดของเมยานีประโยคนี้ทำให้ดารินและรพินชันกายขึ้นในทันทีแต่โกตมะบอกกับเราว่าทั้งสองยังอยู่แล้วก็มีสุขภาพดีนะเมยานียิ้มหยัน ท่านทั้งสองอย่าเพิ่งไว้ใจกุตมะนักนะไม่ใช่จักรราชเท่านั้นที่สั่งให้มาบอกความนี้ก่ท่านแม่ตัวเราเองซึ่งต่อสู้กับทรร่าราอยู่ในแผ่นดินนี้มาแต่เกิด <c oughs> ก็ขอเตือนท่านเช่นกันดารินเริ่มใจเต้นแรงหันไม่มองหน้าจอมพรานของหล่อนแต่ก็ไม่เห็นวีเแววอะไรนอกจากความเครียดข้นเขาเป็นผู้ตอบเมยานีด้วยเสียงตันๆว่า เมญีไม่มีใครในบรรดาพวกเราที่จะไว้วางใจกุตมะหรือใครก็ตามที่เป็นฝ่ายทหารหลวงของศิงนราแม้แต่คนเดียวถึงทหารป่าของพู้เท่าและจักรราชเองก็ยัง น, นึกเนะว่าเราจะไว้วางใจชีวิตของพวกเรา11คนขณะนี้นะมันแขวนอยู่บนเส้นได้จักรราชอาจไม่คํานึงถึงชะตากรรมของพวกเราเลยก็ได้เพราะเขาเองก็ปลอดภัยและสมเจตนาที่มุ่งหน้ามาแล้วนี่ แม่ยานียิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูจะอ่อนโยนผิดแผกไปจ้องรบพินตาไม่กระพริบนี่นะท่านตรานจักรราซึ่งเคยเป็นคนใช้ของพวกท่านเรียกท่านมาผู้กองไม่ใช่เหรอใช่ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะขอเรียกท่านมาผู้กองด้วยเหมือนอนกับที่เรียกนายหญิงก่อนจะมาพบท่านในคืนนี้ข้าบอกแล้ว ว่าค่าได้ศึกษาพวกท่านหมดสิ้นแล้วทั้งส1อคนจากการแนะนำของมกุฎราชกุมารของเราซึ่งต่อไปจะเป็นกรรษัตริย์แห่งแผ่นดินนี้ในขณะนี้ข้าจะเอ่ยถึงเขาในฐานะของชายพนเน จ, จรที่เข้ามาร่วนชมรมกับเราก่อนเท่านั้นเขาบอกกับข้าว่าพรานรพินมีเล่เหลี่ยมไว้พริบรอบตัวเป็นผู้มีความสามารถและถ่อมตนอีกประการหนึ่ง อันเป็นลักษณะที่เห็นเด่นชัดก็คือเก็บความลับได้มิดชิดปากพูดอย่างหนึ่งแต่ใจคิดอีกอย่างตลอดเวลาน่ะท่านมักจะกล่าวเติเตียนประนามและมีอาการเหมือนจะเป็นศัตรูกับเขามาตลอดแต่โดยจริงใจภายในแล้วท่านรักและปรารถนาดีต่อเขาประดุษพี่น้องร่วมสายโลหิตฉะนั้นเพราะฉะนั้นในการที่ข้ามาพบท่านในคืนนี้จักรราษังมาร่วงหน้าแล้วว่า แม้จะได้ยินได้ฟังถ้อยคำใดที่ขัดหูแสดงถึงความเห็นแก่ตัวความขาดและความเครียดแค้นจริงชังจากผู้กองก็จงรับฟังไว้อย่างสงบพราะใจจริงของบุรุษผู้นี้หาได้มีความหมายตามที่พูดไหมและเขาก็ฝากคำนับมายังท่านเป็นพิเศษด้วยกล่าวจบเมยานีก็กม้มศีรษะโน้มลงต่ากึ่งแสดงคาระวะอย่างสูงกึ่งเยาะย่ว อยู่ในร่บพินไพรวันขยี้ปลายจมูกอย่างหมุดหงิดนึกเสียดายที่เขาพบกับแม่เสือร้ายแห่งกองโจรพร้อมหน้ากระดาริงเช่นนี้หากเป็นการพบกันตัวต่อตัวมันคงจะน่าดูมากระหว่างเขากับนางเสือดาวผู้นี้ไม่ระหว่างฝ่ายเดียวกันดารินหันไปจ้องหน้ารับพินแล้วยิ้มน้อยๆคล้ายกับรอยยิ้มของเมยาณีเช่นกันดูอถอ จ้แง่ท า, ายตัวดีแม้ตัวจะไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพียงแต่ฝากคําให้คนอื่นมาพูดถ้อยคํานั้นมันก็ยังเชื่อเฉือนเสียดสีเขายัางลึกซึ้งอยู่นั่นเองซ้ําตัวแทนที่รับเอาถ้อยคํานั้นมาบอกก็สามารถเจรจาได้ราวกับแง่ทรายเองฉะนั้นยังมีอะไรที่จักรราสังความมาอีกอะรพินถามต่อไปด้วยเสียงคุนคุนท่านพราน ท่านแงซายรู้นะว่าพวกท่านนะมีความร้อนใจและกระสับกระส่ายเช่นไรในคืนนี้เสียงเนิบหนาบเยือกเย็นของเมยานีกล่าวต่อมาตัวเขาเองก็มีอาการดุดเดียวกับพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละขณะนี้กองทัพปลดแอกของประชาชนพร้อมที่จะรบอยู่ทุกขณะหากไม่ใช่เพราะจักรราชมัวพวงเป็นห่วงพวกท่านอยู่เขาไม่ได้ห่วงเพียงแต่พวกท่าน11คนนี้เท่านั้นหรอก เขเป็นการง่ายมากที่จะใช้กองโจรปีบุกเข้าแย่งชิงตัวกันซึ่งซึ่งน่าถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเมยานีกับทหารที่คัดและเพียงจานวนไม่มากที่ยึดกองยามด้านนี้ไว้ก็รับรองว่าจะนำพวกท่านทั้งหมดนีรอดจากการควบคุมของทหารหลวงไปได้อย่างสบายแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเฉลยสองคนที่เข้ามาติด ก, กับสิงหาราตั้งแต่ปีกลและถูกคุมขังอยู่ในคุกเมือง ม, มรกฎนคร ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะแก้ไขเอาตัวออกมาให้ได้โดยปลอดภัยก็โดยเหตุนี้แหละจักรราจึงปลีกตัวหนีออกจากหมู่ท่านซะก่อนภายในคืนหนึ่งปล่อยพวกท่านให้ตกเป็นเฉลยของทหารหลวงภายใต้การนำของรหัสยะและถูกนำตัวเข้าไปเพื่อเผชิญหน้ากระสิงหาราอย่างที่เป็นอยู่นี้เพื่อาบางทีการถูกจับกลุมเป็นเฉลยและเข้าไปสู่ใจกลางนาครเช่นนี้ ท่านอาจจะได้เบาะแสของคนทั้งสองที่ท่านติดตามมาแน่ชัดยิ่งขึ้นเพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือต่อไปและขอให้ท่านทราบเถิดว่านับตั้งแต่เชา้าซึ่งทหารหลวงเข้าทําการล้อมจับพวกท่านเหตุการณ์ทั้งหลายหาได้คลาบไปจากสายตาเฝ้าจับมองของจักรราชไปไม่เขาติดตามการเคลื่อนไหวของพวกท่านและกองทหารอยู่ทุกขณะ ด, ด้วยกําลังในมือที่พร้อมพอจะบดขยี้กองทัพของรหัสสยะนี้ให้แหลกไปได้ หากจำเป็นเมยานีเว้นไปชั่วขณะตาคมกริบจับอยู่ที่ระพินและดารินไม่กระพริบแผ่วเสียงลงอีกจนเกือบจะกลายเป็นกระซิบโดยสิ่งอันมีอํานาจลึกลับชั่วร้ายที่หมุอนอยู่เบื้องหลังอํานาจของสิงหราเขาย่อมรู้ว่าพวกท่านมากันสิอคนและคนที่สิบสองที่หายไปนั่นแหละคือมหาศัตรูที่เขาจะต้องเร่งหาทางกําจัด กนที่เขาและบริวารกลุ่มทรราชของเขาจะถึงการพินาศฝ่ายเราเองก็ล่วงภูุมาก่อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนที่ทหารหลวงจะเข้าล้อมพวกท่านทั้งหมดพูดเท่าจึงสั่งค้าให้มารับตัวจักรราชไปจากพวกท่านซะก่อนระพินหัวเราะแค่นๆเราก็นึกไว้แล้วไม่ผิดรอกมายานีเจ้านั่นแหละที่เป็นคนมาพาจักรราชพร้อมทั้งอาวุธและวัตถุระเบิดทั้งหมดของพวกเราไป ระหว่างที่พวกเรานอนหลับกันเป็นตายด้วยยาสะกดแม่ยานีสายหน้านิดหนึ่งท่านพรานข้าได้รับคำสั่งให้มารับตัวชายคนหนึ่งในคณะของท่านเท่านั้นซึ่งครั้งแรกข้าก็ไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าเป็นใครนอกจากปฏิบัติตามคำสั่งผู้เท่าอันเป็นบิดาของข้าประการเดียวเท่านั้นสิ่งที่ข้าได้รับคำสั่งเพิ่มเติมจากผู้เท่าก็คือชายคนนั้นจะเป็นใคร รูปร่างลักษณะยังไงไม่สำคัญสิ่งที่ข้าจะต้องสังเกตก็คือรูปกรงจักรในกลางขวามือด้านขวาของเขาไม่ใช่รูปแผลเป็นหากแต่เป็นรอยมหัศจรรย์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดรูปกรงจักรใจกลางฝ่ามือด้านขวาเหรอทั้งดารินและรพินอุทานขึ้นพร้อมกันขมวดคิว้วแม่ยานีก้มศีรษะรับถูกละท่าน รูปกงจักรจักรอันเป็นอาวุธของพระนารายณ์ซึ่งติดมือเขาผู้นั้นมาแต่กำเนิดตั้งแต่เกิดมาข้าก็ไม่เคยเห็นใครมีตำหนิประหลาดเช่นนี้มาก่อนกลางดึกของคืนดังกล่าวนะระบุกล้อมเงียบเข้าไปในระหว่างที่พวกท่านทั้งหมดนอนหลับด้วยฤทธิ์ยาสะกดซึ่งเขาเองเป็นผู้วางไว้แล้วฝ่ายของเราก็พบกับเขายืนทำงานรอคอยอยู่ก่อนแล้วกลางแสงดาวในที่โล่งริมทา น, น้า พวกเราเคลื่อนเข้าไปยังเขาอย่างระมัดระวงังโดยที่เขายัางยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่เช่นนั้นลมดึกเป่าเส้นผมยาวของเขาปลิวสวยัยอีกประมาณหเก้าจะถึงตัวซึ่งกันและกันน้ำเสียงกังวานลึกของเขาจึงประกาศขึ้นว่าในพระนามแห่งเทพผู้ศักดิ์สิทธุกองแห่งมรกฎนครและในพระนามแห่งพระวิษณุพรมนาคผู้เป็นพระราชบิดาของข้า หากพวกเจ้าได้รับคำสั่งจากผู้เท่าอรชุนให้มารับตัวข้าไปก็จงรู้เถิดว่าข้าได้ยืนรออยู่ณบัดนี้แล้วไม่ยานีเว้นระยะไปอีกครั้งในตาฉายแสงประหลาดไม่มีปัญหาอะไรให้ข้าต้องเคลือบแคลงคิดมากเขาเอ่ยชื่อผู้เท่าอรชุนได้อย่างถูกต้องเขาเอ่ยถึงอดีตกษัตริย์ราชวงศ์เทพองค์สุดท้ายคือวิษณุพรหมนาฏ และเขาก็ได้ยืนรอคอยการมาของเราพร้อมอยู่แล้วข้าจึงบอกให้เขาเดินทางมาพร้อมกับเราทันทีโดยไม่ซักถามหรือตรวจสอบอะไรอีกรูปกงจากกลางฝ่ามือข้าและทุกคนเพิ่งจะได้สังเกตเห็นเมื่อพวกเราได้นำเขาเข้าไปพบกับผู้เท่ายังปากถ้าแห่งหนึ่งภายหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วผู้เท่าเป็นผู้ชูมือเขาขึ้นสูงเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็น ประกาศกลางที่ชุมนุมของแม่ทัพนายกองชั้นผู้ใหญ่ของเราว่าเขาคือมกุฎราชกุมารจักรราชโอรสแห่งวิษณุพรมนาชและราชินีเกสราเทวีผู้ถูกขบฏสิงหาราทําลายล้างไปเมื่อ20สปีกว่าแล้วซึ่งบัตรนี้ได้กลับคืนมาแล้วเพื่อปลดแอกทรรราชดารินมีสีหน้าตื่นเต้นหันขวับไปทางระพินนี่ระพิน คุณเคยสังเกตเห็นแง่ทายมีรูปกองจักใจกลางฝ่ามือมาก่อนหรือเปล่าระพินทําเสียงหืในลําคอคุณหญิงครับถ้ามันมีอยู่บนหน้าผากนะบางทีผมอาจสังเกตเห็นก็ได้แต่ฝ่ามือของมันนะ่ะผมไม่เคยจับมาแบดูสั ก, กทีแล้วเขาก็หันไปทางเมยานีเมยานีจักรราชของพวกเจ้านะ่ะไม่ได้ไปกับเจ้าตามลําพังตัวเปล่านะ แต่เขาขนปืนกับระเบิดของพวกเราไปทั้งหมดแม่เสือรายแห่งกองทัพปลดแอกมรกรพยักหน้ารับใช่มีสิ่งของอยู่หลายชิ้นน้ำหนักค่อนข้างมากที่เขานามาวางกองรวมกันอยู่แล้วเขาเป็นคนออกคาสั่งให้พวกเราขนไปด้วยข้าถามเขาว่ามันคืออะไรและเหตุใดจึงต้องแบกขนไปด้วยให้เสียเวลาเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนัก ถ้าขืนปล่อยทิ้งไว้อีกสิบเอ็ดคนพวกเขาที่มาด้วยกันจะต้องตายกันทั้งหมดเมื่อกองทัพรหัสยะเข้าล้อมเขาไม่ต้องการให้พวกของท่านคนใดคนหนึ่งรับอันตรายจึงให้ยึดสิ่งเหล่านี้ไปซะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อสู้และเป็นการบีบบังคับให้พวกท่านยอมจำนนเป็นเฉลยของรหัสยะโดยปริยายถ้างั้นเราก็ทายใจงแง่ายไว้ไม่ผิดอะ ดารินหันไปพึพมพำกับจอมพรานรพินกล่าวถามต่อไปโดยเร็วว่นานี่เมยานีเราอยากจะทราบว่าผู้เท่าอันเป็นบิดาของเจ้าและเป็นหัวหน้าของกระบวนการปลดแอกทั้งหมดอย่างทราบล่วงรู้ได้ยังไงว่าจักรราชยังมีชีวิตอยู่และบัดนี้ได้เหยียบย่างเข้ามาในดินแดนนี้แล้วจนถึงกระส่งเจ้าให้มาคอยรับได้อย่างถูกต้องท่านพาน เรื่องนี้ค่าก็ไม่อาจจะทราบได้เช่นกันและสาวงามแห่งมรกฎนครผู้มีฝีมือรบเป็นเยี่ยมก็หัวเราะเหมือนคำรามในลำคอสิงหรายังมีสิ่งชั่วร้ายอันลึกลับคอยบอกอนาคตให้ทราบได้ก็เหตุใดเล่าผู้เท่าอราชุนซึ่งก็เป็นคนดีมีวิชาอยู่ในแผ่นดีนี้เช่นกันจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบอกเตือนเมื่ออาธรรมยังมีฤทธิ์ร้รายได้ เหตุไฉนธรรมะจึงจะไม่แก่กล้ารีบไปยิ่งกว่านั้นสิงหรารู้อะไรผู้เท่าก็ย่อมรู้อย่างนั้นหรือมากกว่านั้นหาไม่จะดํารงตนมาไม่ได้จนถึงป่านนี้สําหรับข้าและทหารป่าทุกคนจะทําอะไรก็โดยคําสั่งของผู้เท่าเท่านั้นถ้าไม่เคยรู้อะไรมาก่อนทั้งสิ้นยิ่งชีวิตของข้าเองเมยานีผู้นี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาดูโลก ก็เห็นว่าบิดาถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรขบรุเร่ร่อนหนีทหารหลวงมาตลอดชั่วชีวิตพออายุได้เดือนเดียวข้าก็ต้องอยู่บนหลังม้าศึกร่วมกับบิดาหรือพี่เลี้ยงแล้วสขวบข้าขี่ม้าเองได้และ8ขวบข้าเรียนวิทยา ย, ยุทธพิชัยสงครามและสรรพอาวุธทุกชนิดเมื่อข้าจเจริญเติบใหญ่เต็มที่ดุดในขณะนี้ เมญานีผายมือลงไปยังสรีระกายแห่งตนเองกึ่งภาคภูมิใจกึ่งโออวดโฉมซึ่งเจ้าตัวเองก็คงตระหนักในความงามสมบูรณ์ไปทุกส่วนสัตว์ของตนเองเช่นกันข้าก็พร้อมแล้วที่จะนำกำลังของราชดรเข้าสู้รบกับสิงหราเป็นศึกใหญ่แม้พวกเราจะมีกำลังน้อยกว่าพวกทอ ร, ราราชเป็นหนึ่งในสและด้อยอาวุธกว่าก็ตาม แต่ผู้เท่าได้ห้ามปรามข้าไว้ตลอดเวลาเหมือนจะรอคอยอะไรสักอย่างนึงซึ่งข้าไม่เคยเชื่อมา ก, ก่อนว่าจะเป็นไปได้กองกำลังของเราจึงได้แต่รบปรางควานอย่างกองโจรสะสมกำลังอาวุธแล ะ, สะเสบียงเรื่อยมาหาได้มีโอกาสรบประจันหน้าเป็นศึกใหญ่ไหมเราเพิ่งรู้องเดียวนี้เองว่าบิดาเฝ้ารอคอยการกลับมาของทายาทอันแท้จริงแห่งบัลลังมรกฎนคร ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความลี้ลับที่ทําให้ข้างนุนงงไปหมดเมยานีถามเจ้าหน่อยเถอะเจ้าน่ะมีตําแหน่งเป็นอะไรในกองโจรหรือในกองทัพปลดแอกนี้ดารินถามแผ่วเบาลุกขึ้นมานั่งใกล้แล้วจับฝ่ามือไว้ครั้งแรกเมยานีขยับจะเคลื่อนห่างและมีอาการคล้ายสลัดมือ แต่แล้วก็ยอมให้หมอดารินผู้เต็มบเดอร์เมตตาจับเนื้อตัวร่างกายได้นักมานุษยวิทยาสาวบอกกับตนเองว่าหล่อนไม่เคยเห็นหญิงสาวคนใดอวบใหญ่สมบูรณ์ราวกับชายชกันเช่นนี้มาก่อนเลยทุกส่วนสัตว์แข็งแรงสมส่วนเนื้อแน่นเต็มไปด้วยพละกกำลังขนาดมาเรียฮอฟมันซึ่งเคยเห็นกันว่าอบสมบูรณ์ที่สุดก็ยังไม่อาจเปรียบเมยานีได้ เอวกลมสะโพกหนาแขนขาอวบใหญ่อกพุ่งตระงานส่วนสูงของหล่อนเกือบจะเท่ากับส่วนสูงโดยเฉลี่ยของทหารชาวมรกรนครในฝ่ามือสองข้างของแม่สาวงามเลือดนักรบนั้นเล่าหาได้นุ่มนิ่มเหมือนมือสตรีทั่วไปไหมถ้าว่ามันสากกระด้างไปด้วยด้ามของสรรพอาวุธและแน่ละคงจะชุ่มโชคมาสนักต่อนักแล้ว เมื่อด า, ารินย้ำถามคำถามเดิมอีกครั้งนางตอบว่านายหญิงข้ามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยจู่โจมสังหารของกองโจรคอยตีตัดปล้นสะมและก่อกวนอย่างที่ท่านเคยเห็นละ่ะทหารในบังคับบัญชาของข้าได้รับการฝึกปรืออบรมมาเป็นพิเศษมีจำนวนห้าร้อยคนพวกนี้รบเก่งทั้งสิ้นทั้งบนหลังม้าและบนดิน อย่าว่าแต่กําลังทหารหลวงเป็นพันแค่นี้เลยต่อให้เป็นหมื่นพวกข้าก็สามารถจะปีตัดกลางแหกล้อมออกไปได้คำพูดของเมยา น, นีทำให้ดารินเต็มไปด้วยศรัทธาเต็มที่ส่วนรพินหัวร้อฮึๆ อ, อ, อีกครั้งพึมพาว่าฮึไพรผลของเจ้าได้จำนวนพอดิบพอดีทีเดียวนะห้าร้อยคนยิงงี้ไงล่ะที่เขาเรียกกันว่าโจรห้าร้อย วิตรฐานไปหน่อยก็ตรงที่นายโจนเป็นผ <ium> ู <illustrations Maple> yeah, ้หญิงสาวแล้วก็สวยเท่านั้นเมยานีมองหน้ารพินอย่างไม่รู้ความหมายดารินไม่สนใจกระถ้อยคําของเขาหันไปถามเมยานีต่อไปว่านี่เมยานีในฐานะบุตรีและมีฝีมือเก่งกล้าสามารถถึงเพียงนี้เจ้าไม่ได้มีตําแหน่งเป็นรองผู้เท่าอันเป็นบิดาของเจ้าเองหรอกเหรอ ทิดาสาวแห่งอดีตขุนพลผู้พักดีต่อราชวงศ์เทพสันสีสั์นายหญิงเรานะี่ยมีความใกล้ชิดกับผู้เท่าในทางส่วนตัวในฐานะพ่อกับลูกแต่ในทางการงานหน้าที่อันพึงปฏิบัติแล้วเรามีฐานะเพียงหัวหน้ากองล่าสังหารเท่านั้นผู้เท่ายังมีทหารคู่คิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอีกหลายสิบคนนักเมณี ขณะนี้เจ้ามีอายุเท่าไหรแล้วเนี่ยระพินถามตรงๆมียา น, นีไม่ตอบในตาเริ่มวาวประหลับประเหลืออย่างไม่พอใจดารินหัวเราะเบาๆลูบหลังแม่เสือร้ายแล้วดุไปทางระพินว่า mm. คุณนี่ฉลาดมันได้สารพัดไม่น่าจะมาโง่ในเรื่องนี้เลยนี่คุณรู้ไว้ด้วยสิไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้เขาจะพอใจเมื่อถูกถามตรงๆถึงเรื่องอายุหรอก ขอโทษที่รับขอโทษจริงๆผมยอมรับว่างงไปถนัดเอางี้ดีกว่าแม่คนสวยแห่งกองโจรระหว่างที่สิงหนราเป็นขบวล้มล้างราชวงศ์เทพองค์สุดท้ายเพื่อแย่งชิงอำนาจนะเจ้าเกิดแล้วหรือยังละ่ะข้ายังไม่ได้เกิดในยุคนั้นหรอกแต่ข้าก็พอจะรู้เรื่องเพราะพ่อเล่าให้ฟังพอเริ่มทาการต่อสู้และส่งสมผู้คนเป็นชํารมขึ้นมาบ้างแล้ว ข้าถึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาทีหลังและมารดาของเจ้าล่ะเมยานีดารินถามขึ้นบ้างเมญานีเสื่องซึมลงในบัตนั้นสีหน้าแสดงความสะเทือนใจอย่างหนักนายหญิงแม่ข้านะถูกทหารฝ่ายทรราชฆ่าตายอย่างทารุณตั้งแต่ข้ายังจําความไม่ได้พอเล่าว่าแม่ติกอยู่ในเคหะหลังหนึ่งของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ขณะนั้นทหารหลวงได้ล้อมและจุดไฟเผาแม่โยนข้าซึ่งอายุไม่กี่เดือนลงมาทั้งหน้าต่างให้พ่อข้ารับไว้ได้ส่วนตัวแม่เองล้มลงในกองไฟที่ลุกลามเคหะหลังนั้นตัวพ่อเองกว่าจะหนีเอาตัวรอดออกมากับข้าได้ก็มีธนูติดหลังมาถึงสามดอกต้องไปนอนสมรักษากายอยู่ในที่ซ่อนเป็นเวลานานมินาสิเมยานี เจ้าจึงมีปฏิบัติการที่เฉียบขาดได้ดุร้ายกับทหารหลวงทุกคนอย่างสาสมทีเดียวยามเมื่อเจ้าเปิบใจขึ้นมาอย่างนี้รพินว่าปนยิ้มยิ้มแล้วกล่าวต่อมาว่าเราอยากจะรู้นักว่าบิดาของเจ้าทราบได้ยังไงว่าจักรราชมาพร้อมกับคณะของเราจนถึงกะสั่งให้เจ้าไปคอยดักรับตัวแล้วอีกประการหนึ่งเจ้าไรมาพิสูจน์ว่าผู้ที่เจ้านาไปนั้น คือจักรราศ์แท้จริงโดยไม่ใช่คนอื่นสวมรอยปลอมแปลงมาคำถามของเขาเป็นการยั่งเชิงเพื่อจะสอบความรู้สึกแม่เสียรายมากกว่าอื่นใดท่านฟรานข้านะไม่อาจทราบได้ในข้อนั้นและแต่แรกเมื่อได้รับคําสัง่งข้าก็หาได้เชื่อถือได้ใดไม่แต่เมื่อเป็นคําสัง่งข้าก็ต้องปฏิบัติคืนนั้นดาวประกายพลึก ทอแสงสุกใสยอยู่เหนือเงาทรรมืนของแมกไม้กำลังพลของเราอยู่ในที่ซุ่มเปรียบเสมือนสุนัขล่าเนื้อหมอบเฝ้าดูเสือตาบอดเขี่ยวหักอันเราหมายถึงกองทัพแห่งรหัสสัญซึ่งมาหยุดพักนอนอยู่เหนือทุ่งทองกวาวรอให้สุนัขป่าโจรเข้าคว้าคอหอยขอเพียงให้รับคําสั่งจากหัวหน้าเท่านั้นแต่คืนดังกล่าวเรากลับไม่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติการจองเวรใดๆ กับฝ่ายทหารหลวงทั้งสิ้นคงซุ่มดูอยู่เฉยๆอันยังความประหลาดใจให้แกพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งท่านทีนั้นก็มีทหารคนหนึ่งมาปลุกข้าให้ตื่นขึ้นมาจากการนอนพักบนฟูกหนังแกะในซอกคูหาหนึ่งทหารกล่าตายผู้มีฝีมือเป็นเลิศของข้าจำนวน12คนพรักพร้อมเรียงรายอยู่แล้วและเราทั้งหมดในชุดนี้ก็ถูกนามาพบผู้เท่า ซึ่งขณะนั้นกำลังยืนพิจารณาดาวประกายพรึกอย่างสงบเมื่อข้ามาถึงและกล้มลงเขารบแล้วปูดเท่าได้กล่าวว่าลูกเอ๋ยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องไปรับราชบุตรกัราชมายังชมรมของเราจงออกเดินทางเดี๋ยวนี้แล้วนำเจ้าชายให้ออกพ้นจากคณะที่พระองค์อาศัยแอบแฝงซ่อนเร้นมาด้วยก่อนอรุณจรุ และก่อนที่เจ้านั่งรหัสยะกับเจ้ากแก่กุตมะจะเอาทหารไปล้อมพระองค์พระองค์จะประทับรอคอยเจ้าอยู่ก่อนแล้วตามตำแหน่งบริเวณที่พ่อได้กำหนดไว้ให้เจ้าแล้วเมื่อตอนกลางวันนี้เมื่อได้ยินดังนั้นข้าก็ไม่กล่าวอันใดทั้งสิ้นอีกเพราะต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาเช่นกันว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่ผู้เท่าพูดหรือไม่ข้ากับทหารร่วงตายสบสองคน จึงควบม้าตัดป่าเขาตรงไปตามทิศทางที่ได้รับการกำหนดให้ทราบไว้ก่อนนั้นทันทีเมื่อใกล้ที่หมายเข้ามาเราเริ่มสัมผัสกับสายลมที่พัดเอาควันสลบกระจายจางไปทั่วพวกเราจึงวกอ้อมขึ้นด้านเหนือลมผูกม้าไว้เมื่อรู้สึกว่าเสียงฝีเท้าอาจได้ยินไปถึงแล้วพากันย่องเข้าไปพร้อมกับอาวุธและสิ่งที่ผู้เท่าบอกเราไว้ก็เป็นจริงทุกอย่าง เราพบคณะเดินทางต่างแดนคณะหนึ่งนับจำนวนได้1 1คนพากันนอนสลบสลดยอยู่ใต้ร่มไม้ริมธาร น, น้ำชายหนึ่งเท่านั้นที่ตื่นพร้อมและรอการมาของเราอยู่อย่างสงบเยือกเย็นอย่างที่ค่าได้บอกแกท่านทั้งสองไปแล้วข้าไม่สนใจที่จะพิสูจน์รอยกงจักบนใจกลางฝ่ามือของเขาในยามนั้นเมื่อเขายืนรอคอยค่าอยู่แล้ว สื่ประโยคทักทายเราได้อย่างถูกต้องข้าก็รับตัวเข้ามาทันทีพร้อมกับสิ่งที่เขาต้องการให้พวกเราขนไปด้วยก่อนจากไปเขาไม่ลืมที่จะลบร่องรอยของพวกเราทุกคนรวมทั้งตัวเขาเองด้วยและข้าได้ยินเขาหันไปประกาศกับเหล่าท่านผู้ยังนอนสลบกันอยู่ว่าสหายทั้งหลายขอให้เทพเจ้าแห่งมรกรกนครจงคุ้มครองท่าน อย่าให้ได้รับภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นเราจะพบกันอีกเมื่อถึงเวลาแต่บัดนี้ลาก่อนจบคำพูดนั้นเขาก็พละมาพร้อมกับเราเราออกเดินทางกันอย่างเร่งรีบเพื่อจะแข่งแสงอุตสาหเราจะต้องกลับให้ถึงชมรมของเราซึ่งมีผู้เฒ่าและที่ปรึกษารวมทั้งกำลังคนสำคัญทั้งหมดชุมนุมรอคอยอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจ ถ้านำเขาเข้าถึงที่ตั้งของเราตรงตามกําหนดที่กะไว้คือพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเห็นหน้ากันได้ถนัดทีเดียวเสียงเหล่าของเมยานีแผ่วเบาแหบหายไปในตาหมือนลอยลงไปยังกองไฟอย่างเคลิ้มฝันกล่าวต่อไปเหมือนจะรำพึงกับตนเองค่ะได้มีโอกาสเห็นหน้าและโฉมกายของเขาได้ถนัดตาในวาระนั้น วาระที่แสงอุตสากำลังสาดกระจายแข็มกระจ่างไปทั่วและเขายืนมาเป็นสง่าอยู่กลางที่ล้อมของพวกเราทุกคนยังลานชมรมหน้าธรรมโอเจ้าชายของข้าเจ้าชายแห่งราชวงศ์เทพผู้ระหกระเหินพลัดพรากจากมาตุภูมิไปตั้งแต่ยังเยาว์ด้วยการทรยศหักหลังของไอกลุ่มคนคดบัดนี้พระองค์ได้กลับคืนมา ประดุดสวรรค์เบื้องบนประทานคืนมาให้เมื่อเห็นว่ามรากฎนครจะหมดเคราะห์ภัยในสายตาอันตื่นตะลึงของข้าข้าได้เห็นบุรุษโฉมงามปานเทพผู้หนึ่งทอดดวงเนตรประดุดสีเหล็กจับนิ่งมาที่ข้าสายตาของเราประสานกันบัดนั้นประสาทสำนึกใดๆก็ประลาดสาการไปจากจิตของข้าโดยสิ้นเชิงโดยภาวะตะลึง ข้าไม่สำเนียกว่าพูดเท่าหรือใครต่อใครจะเข้ามากล่าวเช่นไรเราต่างฝ่ายต่างยืนมาประจันหน้าสบตากันนิ่งอยู่ริมโอทคู่นั้นดูเหมือนจะแย้มให้ข้าน้อยๆหัวใจของข้าก็วูบวิวประดุดมีหัดกามเทพมาบีบขณะนั้นคลับคลายคลับคลาวว่าทุกคนที่ยืนมาอยู่จะลงจากหลังมาจนหมดสิ้นแล้วเพื่อคุกเข่าลงกับพื้นถวายคารวะ มีก็แต่ข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังยืนมาประจันอยู่เพราะความตื่นตะลึกเสียงของเมยานีแผ่วหายไปเป็นความเงียบอีกครั้งตาของหล่อนคงทอดมือลอยจับอยู่ที่ไฟในกองอยู่อย่างปราศจากความหมายเช่นนั้นเมยานีเล่าไปละเอียดสิ เหตุการณ์ขนาดที่เจ้าได้เผชิญหน้ากับจักรราชกลางชมรมของพวกเจ้าในเวลาเช้าซึ่งสามารถมองเห็นหน้ากันถนัดได้แล้วนะ่ะเป็นยังไงต่อไปเสียงเอ่ยถามทําลายความเงียบงันดังมาจากดารินไมยานีสะดุ้งตื่นจากาวังที่จมลึกนางถอนใจยาวเดาะมีสั้นที่ถือเล่นอยู่ในมือแล้วขว้างข้ามกองไฟเบื้องหน้าไปปักยังขอนไม้ฝั่งตรงข้าม เป็นการระบายอารมณ์ภายในอันอัดอั้นว่าวุ่นมากกว่าจะอยู่ในความหมายอย่างอื่นแต่กระนั้นคมมีดก็ยังเสียบลงไปยังบริเวณของขอนไม้อันโผล่นูนขึ้นมาเป็นรูปคล้ายๆใบโพหรือหัวใจนั้นอย่างแม่นยำและยั ง, ยงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเช่นกันรพินไทรวันดึงมีดโบวีประจำตัวข้างเอวขึ้นมาบ้างคว่างแวบไปในทิศทางเดียวกัอน เสียงโลหะกระทบโลหะดังแซกมีดของเมยาณีที่ปาไปปักนิ่งอยู่บนข อ, ขอนไม้อยู่ก่อนแล้วก็ถูกมีดของจอมพรานซึ่งอวบใหญ่และหนักกว่าเบียดให้กระเด็นหลุดไปโดยมีมีดโบวีอันนั้นปักซ้ำรอยแทนที่ปรากฏการณ์นั้นดึงความสนใจของนางให้หันไปจ้องหน้าเขาทันทีพึมพำออกมาเบาๆท่านพราด มีอะไรหลายหลายอย่างคล้ายๆจักรราชเจ้าชายของเรารพินสันสีจักเมญา น, นีเรานี่ยไม่มีอะไรคล้ายจักรราชของเจ้ารอกเราเป็นแต่เพียงพรานป่าและนักรับจ้างนําทางอันต่ําต้อยส่วนจักรราชน่ะเกิดมาเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์ตัวเราเองมู้และก็ดดอยปัญญาแต่จักรราชสุขุมรอบคอบเต็มไปด้วยไหวพริบ ป, ปฏิพานและความรอบรู้ ควรแกการเป็นผู้นำคนขณะที่พูดเนิบเนื้อจอมพรานเดินไปเก็บมีดของเมยานีที่กระเด็นตกอยู่และมีดของเขาเองที่ปักอยู่กับขอนไม้ขึ้นมาพร้อมกันเก็บเล่มของเขายัดเข้าฝักตามเดิมส่วนเล่มของเมยานีนำมาส่งคืนให้อย่างสุภาพซึ่งนางก็รับมาอย่างง ง, งรอยยิ้มฉงนกึ่งพอใจเริ่มจับบนเริมฝีปาก ท่านพรานที่ข้า ก, กล่าวว่าท่านมีอะไรหลายอย่างคล้ายจั ก, กรราชเจ้าชายของเราเน่ข้าหมายถึงลักษณะอันเป็นนักผจญภัยที่อยากจะหาใครเสมอและฝีมือในการต่อสู้ซึ่งคล่องรอบตัวแม้แต่ในด้านของอาวุธที่เราคิดว่าท่านไม่น่าจะถนัดท่านใช้ดาบหอกธนูและมีดสั้นได้ชำนาญดีอยู่หรอเมญา น, นี ความจริงแล้วเราใช้ไม่เป็นหรอกนะในด้านของการต่อสู้สำหรับอาวุธสั้นเหล่านั้นเราชำนาญแต่เฉพาะอาวุธสมัยใหม่ของเราเท่านั้นเองที่ดาสาวแห่งขุนพลอรชุนมองดูเขาอย่างไม่ไว้ายวางใจในคำพูดนะักแล้วหันมาทางนายหญิงผู้จับมองอยู่ทุกอิริยาบถลางเอื้อมมือไปจับแขนของดารินบ้างด้วยความรู้สึกที่สนิทใจเพิ่มขึ้นนายหญิง เรายังมีเวลาที่จะสนทนากันได้นานพอเมย น, นิจะเล่าให้นายหญิงฟังถึงเหตุการณ์ในรุ่งอรุณที่เจ้าชายจักรราศเสด็จเข้าถึงที่ตั้งกลางชมรมใหญ่ของพวกเราภายหลังที่ได้ผลจากขบวนของท่านออกมาในตอนดึกแล้วดังข้าได้กล่าวแล้วทมกลางแสงปัจจุดสมัยที่สาดสว่างกระจางแจ้งไปทั่วณลา น, น้าธรรที่ชุมนุมของเราชายที่ข้าไปรับตัวมากลางดึก ยืนมาสงบนิ่งอยู่ใจกลางที่แวดล้อมข้าได้ยินไม่ถนัดว่าผู้เท่าอันเป็นบีดาและหัวหน้าใหญ่ของพวกเราทุกคนประกาศกล้องเป็นใจความเช่นไรเพราะโมแต่เพลินพิจารณาดูใบหน้าและสวนทรงของบุรุษแปลกหน้าผู้นั้นอยู่ต่อมารู้สึกคล้ายๆกับว่าผู้เท่าจะได้จับมือด้านขวาของเขาแบรยีดออกและชูขึ้นสูงเหนือศีรษะกระทบกับแสงตะวันยามอารุณ เพื่อให้แม่ทัพนายกองชั้นสําคัญของพวกเราทุกคนได้เห็นข้าเองไม่ได้สนใจดูใจกลางฝ่ามือของชายผู้นั้นคงสํารวจดูแต่เฉพาะใบหน้าและเรือนร่างอันสง่างามของเขาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกถูกแต่กระนั้นก็ยังรู้สึกคล้ายๆกับว่าฝ่ามือที่แบ่เยียดชูสูงรับแสงอาทิตย์ของเขาเกิดประกายประหลาดหลากหลากสีและมีเสียงคํารนแแววมาแต่ไกล ทางด้านเทวไลอันเป็นที่สถิตของปราศาสตรพระอุมาเทวีตะวันที่เพิ่งจะโผล่พ้นทิวเขาขึ้นมาเล่าก็สัญเดงปรากฏการทรงกลดเป็นวงกลมดูเป็นที่ประหลาดมหัศจรรจ์นนะักครั้นแล้วต่อมาบรรดาคนของเราทั้งหลายรวมทั้งผู้เท่าด้วยก็พากันลงมาจากหลังมาสุดกายลงคุกเขา่าเอาปลายดาบปักกัดพื้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง เยี่ยงข้าทหารจะพึงปฏิบัติต่อกษัตริย์ผู้เป็นจอมทัพฉนั้นสำหรับตัวข้าเองนั้นมาได้สติรู้สึกตัวขึ้นก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงตะหวาดเบาๆจากบิดาว่ามิญานีเจ้าจะยืนมาแสดงท่าโอหังประจันอยู่เบื้องพระพักของพระยุพ ร, ราชเช่นนั้นหรอหลงจากมาและถวายความเคารพเดียวนี้พระยุพ ร, ราช ข้าทวนคำพร้อมกับยิ้มหยันซึ่งอาการของข้าเช่นนั้นแทบจะทำให้ผู้เท่าและแม่ทัพนายกองชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายบ้าคลั่งไปด้วยความแค้นรหนกตกใจแต่ข้าหาวันหรือสนใจใดๆไม่ชายพเนจรผู้แต่งกายราวกับนักพิกขาจารย์ซึ่งข้าเป็นนำตัวมาตามคำสั่งของท่านผู้เท่านี้นะเลอกคือพระยุพ ร, ราชพระยุภ ร, ราชแห่งอาณาจักรไหนกันเมญานี เสียงบิดาของข้าแพรตะโกนลั่นแต่บอกแล้วว่าข้าไม่ได้สนใจชักมาที่ขี่อยู่เข้าไปจนปเผชิญหน้าชายผู้นั้นโดยใกล้พร้อมกระถามว่าท่านเหรอที่มีนามว่าจักรราชแห่งราชวงศ์เทพของมรกรกนครบุรุษผู้นั้นยิ้มละไม่ยอยู่ในสีหน้าขณะนั้นลมเช้าเป่าเส้นผมของเขาให้ปลิวลงมาเคลียอยู่บนหน้าผาก ทำให้ดูอ่อนเยาว์เหมือนมานบน้อยวัยรุ่นสายตามองมายังข้าเต็เมไปด้วยประกายเอนดูและรู้เท่าทันในความเกะกะกระด้างกระเดืองจากท่าทีของข้าเพราะย่อมเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าขึ้นชื่อว่าเมยานีธิดาแห่งออรชุนแล้วย่อมร้ายการประดุดเสือดาวข้าไม่เคยหวั่นในฝีมือเชิงอาวุธของผู้ใดในแผ่นดินนอกจากผู้เท่าอันเป็นบิดา และครูของข้าเองเท่านั้นครั้งหนึ่งเราเคยมีนามดังนั้นเมยานิเขาตอบคำถามข้ามาอย่างมีความหมายลึกกระแสะเสียงนั้นเล่าก็อ่อนโยนเยือกเย็นนะก็แล้วเดี๋ยวนี้เล่านั่นสุดแล้วแต่พวกท่านทั้งหลายที่จะให้เราเป็นหรือไม่ บุกบันกลับมายัางมรกรนครแห่งนี้อีกนะเพื่ออะไรเพื่อบรรลังเก่าของบิดาซึ่งไม่มีบารมีพอที่จะคุ้มครองไว้ให้แกลูกจนต้องสมซานหนีไปครั้งกันนั้นนะเลอนายหญิงข้ารู้ตัวเองดีว่าวาจาของข้านักก้าวร้าวและแรงนักท่ามกลางความตะลึงพึงเพลิดของผู้เท่าและทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดอันไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ยินถ้อยคําชนิดนี้จากข้า แต่นั่นนะ่ะมันเป็นเจตนาโดยตรงของข้าที่จะยั่วเขาโกรดและอยากเห็นรัศมีแห่งปัญญาของบุคคลที่จะมาเป็นกษัตริย์แห่งมรกรนครในอนาค ต, ตการต่อไปข้ายอมรับว่ายามนั้นน่ะข้าเล่ไปได้วยความลำพองและหมิ่นเขายิ่งนักข้าเคยคิดไว้ด้วยหัวใจอันมักใหญ่ไฟสูงทะเยอทะยานเสมอมาจากเล็กจนโตอะแผ่นดิมนมรกรนครนว่างกษัตริย์ ส่วนผู้ที่ขึ้นไปนั่งอยู่บนบอลลังในขนาดนี้คือปีศาจร้ายซึ่งวันหนึ่งจะต้องถูกกาจัดทำลายล้างลงไปและคนที่มีบุญญาธิการอันคู่ควรเท่านั้นที่จะปกครองสืบต่อและคนที่มีบุญญาธิการนั้นอาจจะเป็นผู้เท่าพ่อของข้าหรือตัวข้าเองมนยานีผู้นี้ก็ได้ ดาบของข้านะ่ะพร้อมแล้วที่จะบันคอศัตรูไม่ว่าจะกี่หมืน่นกี่แสนเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งซึ่งข้าเคยหลงคิดว่าจะต้องมีอยู่ในตัวข้าแต่บิดาไม่เคยสนับสนุนข้าเลยคอยแต่จะห้ามปรามเหนี่วรั้งข้าไว้เสมอไม่ให้คิดการอันอาจเอื้อมถึงเพียงนั้นทาให้ข้าขุนแค้นขัดเคืองอยู่เงียบเงียบตลอดมาแต่ก็ยังเกรงผู้เท่าอยู่ ยังไม่ได้กระทำสิ่งใดออกมาให้ปรากฏชัดมาเช้า ว, วันนี้กลุ่มคนทั้งหลายในชมรมของเรายอมสิโรราบให้แกบุรุษแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากแดนไกลอันข้าก็ไม่อาจทราบได้ว่าเขาโผล่มาได้ยังไงจากไหนพันแล้วก็ประกาศตัวเป็นจักรราชเป็นทายากันชอบทาแห่นบางลังของมรกนครโดยมีสั ญ, ญลักษณ์สําแดงตน เพียงรูปกงจักใจกลางฝ่ามือขวาเท่านั้นคนอื่นอาจเชื่อแต่เมยานีจะเชื่อได้ยังไงพวกเราทั้งหมดนะก่อตั้งกันเป็นชมรมต่อต้านกับทรราชมาเป็นเวลานานถึงยี่สิบกว่าปีนานก่อนข้าเกิดกระดูกของเราถูกฝังทับถมลงยังแผ่นดินนี้สนักตอนนักแล้วทั้งเลือดทั้งน้ำตาที่น้องเจิ่งไปทั่ว ทั้งหมดเป็นการกระทําเพียงเพื่อรอคอยให้ใชายผู้นี้มาชุบมือเปิบแอบอ้างสิทธิกระนั้นหรือแม้พูดเท่าและใครต่อใครในพวกเราจะยอมแต่ข้าเมญานีผู้นี้ยอมไม่ได้ในระหว่างที่ข้าจ้องตาเขาขมิงอยู่นั้นเขาได้ตอบข้ามาอย่างสงบว่าดูก่อนนางผู้มีศริลักษ์ และฝีมือเป็นเลิกเรากลับมาในครั้งนี้นะหาได้ปรารถนาในบรรลังมรกรนครไม่แต่เรากลับมาเพื่อล้างรอยแค้นที่ไอ้คนทรยศกระทาไว้ต่อพระชนกชนนีและวงตระกูลของเราและมาเพื่อชาระล้างแผ่นดินมรกรนครให้หมดสิ้นเผาวทวรราชอันกดขี่เบียดเบียนประชาชนอยู่ในขณะนี้เรามา มาที่นี่ดยวยวิญญาณของชาวมรกตนคออันรักที่จะเห็นความยุติธรรมความผาสุกร่มเย็นของแผ่นดินเหมือนกับพวกเจ้านั่นเองข้างแงนหน้าขึ้นหัวเราะดังกังวานไปทู่กลกรมาให้เดินวนรอบมาของบุรุษผู้นั้นซึ่งสงบนิ่งเหมือนภาพปั้นมิได้วันไหวหรือสออารมณ์ใดๆออกมาทั้งสิน้นนอกจากริมฝีปากรูปงามซึ่งแย้มน้อยๆอยู่เช่นนั้น ใช่ทุกคนที่รักความยุติธรรมและไม่อยากจะอยู่ใต้แอกบังคับของทราราชล้วนชุมนุมกันอยู่ที่นี่ทั้งสิน้นและทุกคนในที่นี้ก็ล้วนในต่อสู้สุดใจขาดดินกันมาแล้วทั้งสิน้นเช่นกันข้าเว้นระยะไปชั่วครู่นำม้าวกมาเผชิญหน้าอีกครั้งแม้ในส่วนลึกของจิตใจข้าจะพอใจในรูปโฉมท่าทีของเขา และใจก็นึกเมตตาอยู่ก็จริงแต่ความปรามาตในฝีมือและความคิดในข้อที่ว่าอยู่ๆเขาก็จะมาเป็นผู้นำของพวกเราทุกคนเหนือยิ่งกว่าผู้เท่าบิดาของข้าทำให้ข้าเครียดขึ้นชึงชังและปรารถนาที่จะลองดีก็ท่านล่ะท่านได้ต่อสู้อะไรมาบ้างแล้วเรากำลังจะมาต่อสู้ร่วมกับพวกเจ้าเขาตอบ นี่แน่จักราชข้าประกาศด้วยเสียงอันดังได้ยินไปทั่วหมู่ของเราซึ่งบางก็ตะลึงบางก็ตะโกนร้องห้ามข้าไม่ให้ข้าทำสิ่งอันไม่สมควรสำหรับผู้เท่าบิดาของข้าเองนั้นไม่ต้องเอ่ยถึงบิดาข้าแทบจะเป็นลมพับไปด้วยความโกรธแค้นในความอาหังการของข้าเขาร้องเร่งให้ทหารจับตัวข้าไว้แต่เทว ทหารใดเลจาจะกล้าตายเข้ามาใกล้เมยานีในยามที่มือกลุ่มด้ามดาบอยู่เช่นนั้นสมมุติว่าพระองค์คือเจ้าชายจักราราชราชโอรสของวิษณุพรหมนา จ, จริงที่หนีรอดเงื้อมมือศัตรูไปได้เมื่อ20กว่าปีก่อนและเสด็จกลับคืนมาอีกครั้งเพื่อกอบกู้อาณาจักรให้พ้นจากมือโจรหม่อมฉันก็ไม่สนใจทั้งสิน้น สิ่งที่หมอมชั้นสนใจก็คือพระองค์มีฝีมืออันใดนอกจากอ้างถึงสิทธิในชาติกำเนิดที่จะมาเป็นผู้นำของพวกหมอมชั้นทั้งหลายพวกหมอมชั้นได้รวมตัวกันมานานจนได้กลายเป็นกองทัพประชาชนขึ้นมาแล้วแม้จะไม่แข็งแกร่งเท่ากองทัพของฝ่ายทรราชนะักก็เชื่อว่าเป็นดุลทวงอำนาจของสิงหราและอาจเข้าทาสงครามช่วงชิงอานาจมาได้ ส่วนพระองค์ในานามของเจ้าชายจักรราชจะมีหน้าที่เพียงติดส้อยห้อยตามอยู่ในกองทัพนี้และคอยรับรางวัลสถาปนาขึ้นนั่งบนบัลลังก์ภายใต้สเสวิตรชัดภายหลังเมื่อกองทัพประชาชนได้ชัยชนะแล้วกระนั้นหรือทุกคนระหนักดีว่าถ้อยวาจาของข้าร้อนแรงประหนึ่งเปลวสุรยิยาจนบิดาของข้าเองก็ทนฟังไม่ได้ แในคราวนี้บุรุษผู้นั้นยิ้มกว้างจนเห็นไรฟันขาวสะอาดน้องนางผู้ลำเผาพักเขากล่าวขึ้นด้วยเสียงอ่อนหวานไพเราะไม่เพียงแต่เจ้าจะงามเป็นหนึ่งในแผ่นดินนี้เท่านั้นทั้งฝีมือและฝีปากของเจ้าก็เลิศแล้วสมที่เกิดมาเป็นลูกสาวคนเดียวของขุนพลอรชุน ในยามบ้านแตกสราขาดเช่นนี้พี่เองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาทำประโยชน์อันใดกับแผ่นดินเกิดนี้ได้แต่ก็มีเจตนามาแล้วว่าเมื่อพี่เกิดที่นี่ก็จะขอกลับมาตายที่นี่เป็นการดีแล้วที่เจ้ามีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดไม่เชื่อในสิ่งใด ง, ง่ายๆและตัวพี่เองนั้น เมื่อจะขอเข้ามาอยู่ร่วมกับกองทัพประชาชนของเจ้าก็จําเป็นอยู่บ้างหรอกที่จะต้องสอบให้ผ่านเพื่ออย่างน้อยก็จะได้ไม่เป็นภาระหน้าห่วงสําหรับใครขณะเมื่อกองทัพเข้ า, ผาเผชิญศึกแต่พี่ก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะสอบผ่านครั้งนี้ได้หรือไม่และถ้าไม่ได้ก็จะขอตายซะต่อหน้าเจ้านับบัตรนี้เลยทีเดียว ไม่ต้องมีชีวิตยืนยาวเป็นภาระให้แกเจ้าคอยห่วงรำคาญอยู่หรอกกล่าวจบเขาก็โดดลงจากหลังม้าที่ขี่มายืนอยู่กับพื้นใช้มือตบตะโพกม้าให้วิ่งขยบหลบทางออกไปเขาจึงยืนรังงานโดดเด่นอยู่กลางที่ล้อมของเราซึ่งข้าในขณะนั้นก็ยังทำนายไม่ถูกว่าเขาจะสำแดงสิ่งใดให้ดู พี่รู้มานานแล้วว่าดาบของชาวมรกฎนครนักแกร้งนักแกล้งกว่าดาบของชนชาติใดในโลกนี้ทั้งสิ้นเขากล่าวยิ้มยิ้มกับข้าต่อมาพร้อมกับแบมือออกมือพี่นะ่ยมีอยู่สองมือดังนั้นส่งดาบของมรกฎนครให้พี่สักสองเล่มเถะข้ายังขมวดคิว้วยืนมาดูเ้างงอยู่ พอดีกับได้ยินเสียงตะหวาดอันดังจากบิดาซึ่งท่านโกรธแค้นในความสามหาวของข้าอยู่แล้วผู้เฒ่าตื่นให้ข้าปฏิบัติตามคำของจักรราษข้าจึงสั่งให้ทหารคนหนึ่งนำดาบไปส่งให้หนึ่งเล่มจักรราษรับดาบเล่มนั้นไว้ด้วยมือซ้ายแลือบวกมือขวามาทางข้ามียานีเห็นหรือไม่ว่ามือข้างนี้พี่ยังว่างอยู่เพราะฉะนั้น ขอให้มันกำดาบเล่มที่เจ้าติดเอวอยู่นั่นเถอะข้าหัวเราะในลำคอและโดยอารมณ์ที่เจตนากลั่นแกล้งข้าดึงดาบออกจากฝักและแทนที่จะเหาะมาเข้าไปชิดเพื่อส่งดาบเล่มนั้นให้โดยดีข้ากลับแกล้งส่งโดยวิธีเสือปลายดาบให้พุ่งตรงไปยังเขากะเอาไว้ว่าอาการนั้นคงจะทาให้เขาใจหายใจคว่ำหากหลบทันก็บุญไปถลบไม่ทัน ปลายดาบจะทิ่มเข้าหาซวงอกของเขาแม้จะไม่ดื่มลึกนะักแต่ก็ต้องได้บาดแผลให้เจ็บายไปทีเดียวแต่การได้ผิดคาดไปหมดขณะที่ดาบของข้าซึ่งพุ่งตรงไปยังเขานั้นก็ปรากฏเสียงดังเชียอันเป็นเสียงเหล็กกระทบเหล็กเขาใช้ดาบเล่มที่ทหาร น, นำไปมอบส่งให้ก่อนและถืออยู่ในมือข้างซ้าย ะวัดใบดาบของข้าให้พลิกหมุนกลางอากาศเอาทางด้านหันกลับเข้ามาหาตัวแล้วกำกระชับไว้ได้ท่ามกลางความตื่นตะลึงของพวกเราที่แวดล้อมอยู่จักราศหัวรอบแผ่วเบาภายหลังเมื่อรับดาบจากข้าได้เขายกปลายดาบของข้าขึ้นชูเหมือนจะส่งคารวะทักทายมาให้คมดาบทั้งสองต้องแสงตะวันยามเชา้าเป็นประกายวาววับ เตวัดดาบทั้งสองเล่มขึ้นควงเหนือศีสะเร็วเป็นจักรผันขยับเยื้องหมุนตัวไปรอบๆเหมือนจะลองความคล่องแคล่วของร่างกายจากนั้นก็หยุดยืนนิ่งประกาศก้องพยักยิ้มมาทางข้าว่าเมญานีแม้พี่เองจะเพิ่งมาถึงแผ่นดินเกิดนี้ก็ยังรู้กิติศัพท์ดีว่าทหารมาในการควบคุมของเจ้านะ่ขึ้นชื่อลือชาในทางเพลงหอกนะัก ถ้าหากได้อยู่บนหลังมาศึกและมีหอกติดมืออยู่เพียงเล่มเดียวก็สามารถจะแหวกวงล้อมทหารหลวงนับร้อยนับพันไปได้อย่างสบายเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่เพียงไรข้ายกมือขึ้นกอดอกแล้วเลิกคิ้วหันไปดูทหารมาหน่วยกล้าตายของข้ายังไม่เข้าใจอะไรนะพระองค์ต้องการเช่นไรข้าหันไปถามเจ้าชาย ผู้บัญนี้ยืนเด่นอยู่กลางลานเมยา น, นีสิ่งที่พี่ต้องการก็คือขอให้เจ้าส่งทหารมาฝีมือคัดวันเลิศแล้วของเจ้ามายืนรายล้อมพี่รอบด้านสี่คนสี่ทิพหอกพร้อมในมือเมื่อพี่ร้องบอกว่าพร้อมแล้วเจ้าจงสั่งให้ทหารชำนาญหอกเหล่านั้นช่วยกันทิ่มแทงพี่จนสุดความสามารถของแต่ละคน เท่าที่จะกระทําได้ใครหหิงช่องว่างด้านใดก็จงทิมหอกลงมาอย่าได้ปราณีทั้งด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาและด้านหลังทุกทิศทุกมุมโดยไม่จํากัดหน้าที่ของพี่ที่จะทําก็เพียงแต่จะรําดาบคอยปกป้องตนเองไว้เท่านั้นโดยไม่จู่โจมตอบสิ่งที่เจ้าจะพึงกําชับทหารของเจ้าก็คือฆ่าพี่ให้ได้ไม่ต้องยั้งมือ ตอนนั้นข้าไม่คิดฝันว่าจะได้ยิงข้อเสนอเช่นนั้นจึงทำให้หัวใจเต้นแรงและเริ่มจะมองเห็นมรณะการของจักรราตรอคอยอยู่ข้างหน้าไม่ใกล้นี้นะอันทหารมาของข้านั้นหนึ่งต่อสิบก็ยังสู้ทหารหลวงได้และนี่จะให้เอาทหารมาชั้นดีถึงสี่คนยืนมาล้อมอยู่ทั้งสี่ทิศแล้วรุมแทงโอเทวะ ดาบเพียงแค่สองเล่มจะปกป้องอะไรได้อย่าว่าแต่จั ก, กรราจะมีเพียงสองดาบสองมือเลยต่อให้สี่มือด้วยและโดยใจจริงของข้าก็หาได้ประสงค์ที่จะฆ่าเขาไม่